ขอโกาสท่าน อ, อาจารย์รอาจารย์พ่อพวกเราทุกทุกคนหัวข้อที่จะพูดใครตั้งก็ไม่รู้นะแต่ตั้งเก่งคือในโลกนี้ใครๆก็อยากอวดกันนะว่าไอ้นนท์อัศาจราย น, นี่อัศาจรรย์ดููดไปก็งั้นๆหลไม่มีอะไรอาัศาจรรย์เหมือนธรรมะของพระพุทธเจ้า อัศจรรย์ยังไงอัศจรรย์ตรงที่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเปลี่ยนคนโสมก บ, บกมอมแมมนะอย่างพวกเราเนี่ยให้สะอาดหมดจดขึ้นมาได้ธรรมะนะ่ะเปลี่ยนจิตใจของเรานะจิตใจเราแต่เดิมมีกิเลสตัณหาครอบงำมากมายได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมนะกิเลสตัณหาก็ลดลงลดลงถึงวันหนึ่งก็เข้าสู่ความบริสุทธิ์หมดจด ธรรมนะน่ะเปลี่ยนคนโง่ให้ฉลาดแต่เดิมเราไม่รู้ความจริงของชีวิตไม่รู้กระทั่งเรื่องของตัวเราเองธรรมนะน่ะสอนให้เรามาเรียนรู้ตัวเราเองจนเราหายโง่นะกลายเป็นคนฉลาดได้วิชาอื่นๆเขาสามารถเรียนรู้นะไปถึงดาวอังคารดาวเลยเขาก็รู้นะเขาไม่รู้อย่างเดียวเขาเข้ามารู้จิตรู้ใจตัวเองไม่ได้เขามารู้จิตรู้ใจตัวเองไม่ได้เขาไม่พ้นทุกข์หรอก เนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้าน่าอัศจรรย์ทาให้เรามีปัญญารู้จักตัวเองอย่างแจ่มแจ้งขึ้นมาเนีธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยปลดเปลื้องความทุกข์ออกจากใจเราได้ในโลกนี้ไม่มีอะไรจะมาปลดเปลื้องความทุกข์ออกจากใจเราได้จริงหรอกอย่างเราอยากดูหนังเราไปดูหนังก็บรรเทาความทุกข์ไปประเดี๋ยวประดาวเดี๋ยวก็ทุกข์อีกแล้ะอยากโน้อนอยากนี้เราสนองความอยากได้แป๊บเดียวก็ทุกข์อีกแล้ว ความอยากเกิดขึ้นที่ไรความทุกข์ก็เกิดขึ้นทุกทีนี่ความอยากเกิดทั้งวันทั้งคืนความทุกข์ก็เลยเกิดได้ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้านะเมื่อเราศึกษาเราปฏิบัติไปถึงวันหนึ่งเราหมดความอยากนะหมดความอยากก็หมดความทุกข์เนี่ยไม่มีอะไรงดงามไม่มีอะไรมีคุณค่าเหมือนกับธรรมะของพระพุทธเจ้าหรอกเปลี่ยนคนไม่ดีให้เป็นคนดีเปลี่ยนคนที่จมในกองทุกข์ให้พ้นจากทุกข์ เปลี่ยนคนไม่พนมีกิเลสตัณหาแนละ้วให้หมดกิเลสตัณหาหมดความดิ้นรนฟุ้งซ่านหมดความปรุงแต่งของดีของวิเศษอย่างนี้ให้พวกเราได้บุญนะมีบุญวาสนามากเราถึงได้รับธรรมะถ่ายทอดจากพระพุทธเจ้ามายังไม่ขาดช่วงขาดตอนไปแต่ธรรมะก็ใกล้จะหายไปเต็มทีแล้วนะเพราะชาวพุทธเราร้อยหลอเต็มทีแล้วเราเหลือแต่ชาวพุทธแต่ชื่อเหลือชาวพุทธแต่ทะเบียนบ้าน เราไม่รู้เราว่าการเป็นชาวพุทธที่แท้จริงต้องทําอย่างไรส่วนใหญ่ก็คิดแต่ว่าไปทําทานไปรักษาศีลไปนั่งสมาธิอะไรเงี้ยก็เป็นชาวพุทธแล้วจริงๆไม่พอศา ส, สนาพุทธ เ, เนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาเนี่ยคือตัวสัมมาทิฏฐิถ้าเรายังไม่มีสัมมาทิฏฐิเรายังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่เรายังไม่ใช่ชาวพุทธที่แท้จริงนะสัมมาทิฏฐิคือความรู้ถูกความเข้าใจถูกเกี่ยวกับตัวของเราเอง เรารู้ถูกเราเข้าใจถูกเกี่ยวกับตัวของเราเองนะว่าตัวเราไม่มีนะความทุกข์จะไปตั้งอยู่ที่ไหนความทุกข์ก็ไปตั้งอยู่ที่กายที่ใจไม่มาตั้งอยู่ที่ตัวเราตัวเราไม่มนะีหรือเราเห็นความจริงลึกซึ้งขึ้นไปสิ่งที่มีอยู่มีแต่ตัวทุกข์กายนี้เป็นตัวทุกข์ใจนี้เป็นตัวทุกข์จิตสลัดคืนกายคืนใจให้โลกไปก็ความทุกข์ก็กระเด็นไปอยู่กับโลกนะใจเราพ้นโลกไป ใจมันพ้นโลกได้จริงๆมันไม่ใช่เรื่องนิยายไม่ใช่เรื่องที่พระพุทธเจ้ามาหลอกหลอกพวกเราให้ทำความดีถ้าเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติถึงจุดหนึ่งใจเราสลัดออกจากโลกได้จริงๆมันอัศจรรย์ยิ่งกว่าความอัศจรรย์ทั้งหลายใจจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยธรรมะอย่างนี้ก็มีด้วยหรือความบริสุทธิ์หลุดพ้นแบบนี้ก็มีด้วยหรือนี่อัศจรรย์มากเลย เนี่ยเราจะเข้าถึงความอัศจรรย์แห่งธรรมะได้เนเราก็ต้องมาพัฒนาใจของเราเป็นลาดับลำดับไปเครื่องมือในการพัฒนาจิตใจของเรานะก็เรียกว่าไกศึกขาคือการศึกษานั่นเองเราต้องเรียนชาวพุทธมีหน้าที่เรียนนะชาวพุทธมีหน้าที่เรียนเรียนเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ความจริงของชีวิต ถ้าเราเรียนรู้ความจริงของชีวิตแล้วเข้าถึงสัจจะเข้าถึงความจริงแล้วเราก็มีสัมมาทิฏฐิเราก็เป็นชาวพุทธตัวจริงไม่ใช่ชาวพุทธแต่ชื่อแต่เปลือกนี่เราจะมาเรียนรู้ความจริงของชีวิตเนี่ยบทเรียนที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยมีสามบทต้องเรียนให้ครบถ้าเรียนไม่ครบนะไปสู่ความหลุดพ้นไม่ได้จริงหรอกได้แต่เปลือกได้แต่คิดเอาบทเรียนที่1 น, นะชื่อศีลสิกขา พวกเราจะต้องรักษาศีลไปก่อนถ้าพวกเราไม่รักษาศีลเราไม่เห็นคุณค่าของศีลจิตใจเราจะฟุ้งซ่านจิตใจเราจะหาคุณงามความดีไม่ได้กิเลส ช, ชั่วยาบเนี่ยมันจะครอบงำใจของเราอย่างความโกรธเกิดขึ้นเราก็ไปตีเขาไปด่าเขาไปทำลายทรัพย์สินเขาไปแกล้งเป็นชู้กับลูกกับเมียเขาอะไรอย่างนี้นะใจเราจะฟุ้งซ่านใจเราไม่มีความสุขไม่มีความสงบ หรือความโลภเกิดขึ้นในใจนะเราก็ไปทําร้ายเขาเพื่อชิงทรัพย์เขาก็ได้นะไปปลิ้นปล้อนหลอกลวงโกหกก็ได้ไหมไปผิดรูปผิดเมียเขาก็ได้ก็เพราะโลภะเพราะความโลภนะหรือใจเราฟุ้งซ่านหาคุณงามความดีไม่ได้เราทําผิดศีลได้ทุกข้อเลยนะอย่างเรากินเหล้าเมายานะเดี๋ยวก็กิเลสมันก็รุนแรงสติมันอ่อนนะเราก็ทําผิดศีลได้ทุกข้อแนละ้วถ้าคนเราทําผิดศีลสักอย่างเดียวเนี้ ความเป็นมนุษย์ของเราหมดสิ้นไปแล้วอาศจ ร, รย์นะธรรมะนี่อาศจ ร, รย์จ ร, จริงๆถ้าเราอยากรู้ว่าเปรตเป็นยังไงอสูรกายเป็นยังไงสัตว์เดรัจฉานเป็นไงสัตว์นรกเป็นไงให้พวกเราพากันผิดศีลไว้แล้วเราจะรู้จักว่ามันเป็นยังไงมันจะทุกข์นะมันจะทุกข์ความทุกข์มันจะทั่วหัวใจเราตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยถ้าดูเป็นนะอย่างคนที่ไปฆ่าเขาไปตีเขาเนี่จิตใจจะมีความสุขหรือมีความทุกข์ล่ะ คนที่เมตตาคนอื่นมีความสุขไหมคนที่ทำาลายคนอื่นมีความทุกข์ไหมเนี่ยเราหัดดูนะดูของจริงไปเลยถ้าเรามีศีลน่าใจเรามีความสุขมีความสุขง่ายนะใจมีความสุขก็เกิดสมาธิง่ายสมาธิเกิดจากความสุขนี่บางคนไม่เข้าใจเห็นว่าสมาธิเกิดจากการบังคับจิตให้สงบแท้จริงสมาธิเกิดจากความสุขความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิถ้าเรารักษาศีลให้ดีนะใจจะมีความสุข ในสมัยพุทธกาลก็มีพระองค์หนึ่งท่านบวชนานแล้วก็ปฏิบัติธรรมรุ่นเดียวกันก็เป็นพะระอรหันต์พระนาคาพระสกทาคาพระโสดาอะไรไปหมดแล้วเหลือท่านองค์เดียวนะไม่ได้อะไรเลยก็เสียอกเสียใจมากเลยวันหนึ่งเอามีดโกนมานะเชือดคอตัวเองเลยรู้สึกว่าอยู่ไปก็โรกโลกนะบินทบาดกินข้าวข้าวเปล่ า, ลาไม่มีความดีให้กับญาติโยมเพราะเลยไม่มีบุญกุศลให้ก็เลยนะเสียใจ ฆ่าตัวตายตอนที่เชือดคอไปแล้วนะท่านก็นึกถึงแมบวชมาไม่ได้อะไรเลยแล้วก็เฉลียวใจนะบวชมาเนี่ยเรารักษาศีลเข้มงวดนะไม่เคยด่างพลอยเลยนะตัวเองตําหนิตัวเองไม่ได้พระพุทธเจ้ า, า, า, า, า ก, ก็ไม่เคยตําหนิเลยว่าศีลด่างพลอยเพื่อนสหธรรมิกพระด้วยกันก็ไม่เคยตําหนิเราได้เลยในท่านนึกถึงว่าศีลของท่านดีศีลของท่านบริสุทธิ์หมดจดนะจิตใจของท่านแช่มชื่นเบิกบานมีความสุขขึ้นมา จิตใจมีความสุขจิตใจก็มีความสงบจิตใจมีความสงบนะท่านก็เห็นร่างกายกําลังจะตายจิตของท่านเป็นคนดูอยู่สุดท้ายท่านบรรลุพระอรหันต์ในขณะที่ตายเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งเป็นพระอรหันต์ชนิดที่เรียกว่าชีวิตะสมณะสีจะเป็นพระอรหันต์ในขณะที่ตายในขณะสุดท้ายเลยเนี่ยไม่มีอะไรอย่างอื่นเลยนะมีแต่ศีลอันเดียวนี่แหละดังั้นพวกเราอย่าดูถูกศีล ถ้าพวกเรามีศีลเราจะมีธรรมด้วยอย่างคนเราไม่ทําร้ายคนอื่นไม่ฆ่าไม่ตีไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นจนเป็นนิสัยเนี่ยสิ่งที่พวกเราจะได้มานะก็คือความเมตตากรุณามันจะเกิดขึ้นในใจเราอยาให้ไปตีให้ไปทําร้ายใครเนี่ยทำไม่ได้ใจมันจะเกิดเมตตากรุณาเห็ไม่มีศีลมันก็มีธรรมนะถ้าขาดศีลก็ขาดธรรมอย่างไปทําร้ายเขาเนี่ยจิตใจก็ไม่มีธรรมะไม่มีเมตตากรุณา งั้นมีศีลเราจะได้ธรรมะด้วยนะได้สมาธิด้วยได้ดีหลายอย่างเราไม่ไปรักเขาไม่ไปขโมยเขานะเราไม่ไปอยากได้ของคนอื่นเนะี่ยต่อไปมันก็พัฒนาขึ้นมานะของของเรานะถ้าคนอื่นเขาอยากได้เขาจําเป็นจุกกว่าเรานะเราก็แบ่งให้เขาได้นะใจมันจะค่อยๆรู้จักทําทานขึ้นมานะแทนที่จะเอาเพรารู้จักจะให้อะไรเงี้ยคนที่รู้จักรักษาศีลไม่เป็นชู้กับเขารักษาศีลข้อสามได้นะ ธรรมะที่เกิดขึ้นก็คือความสันโดษไม่หลงในกามนะไม่เพลิดเพลินไปในความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแนะไม่เพลินออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายนะไม่หลงในกามใจมีความสันโดษนะนี่เป็นคุณธรรมที่เกิดขึ้นจากการที่เรารักษาศีลถ้าเรารักษาศีลข้อสีได้ดนะีเราพูดแต่ความจริงธรรมะที่จะเกิดขึ้นในใจเราคือสัจจะ เราจะเป็นคนมีสัจจะพูดจะน่าเชื่อถือใครๆก็เชื่อถือเทวดายังชมเลยนะเนี่ยถ้าเรามีศีลข้อห้านะสิ่งที่เราได้มาคือสติสัมปชัญญะเราจะไม่ลืมเนื้อลืมตัวรู้เนื้อรู้ตัวได้เรื่อยๆให้พวกเราทุกวันนี้นะละเลยเรื่องศีลไปมากธรรมะมมก็หายไปหมดอยากได้ธรรมะต้องมีศีลก่อนนะเมื่อเราตั้งใจรักษาศีลวิธีรักษาศีลเนี่ยไม่ต้องมาขอที่พระ แลตั้งใจรักษาศีลเอาทำไมเราต้องมาบอกกับพระการมาบอกกับพระน่ะคล้ายๆมาปฏิญาณตัวให้มีพยานรู้เห็นว่าเราจะรักษาศีลเวลาจะผิดศีลจะได้ละอายใจบ้างงั้นเราถ้าหาพระไม่เจอนะเราบอกกับเพื่อนบ้านเราก็ได้บอกกับคนในบ้านเราก็ได้ว่าทีนี้เราจะรักษาศีลแล้วล ะ, ะหรือไม่มีใครให้บอกเราบอกกับตัวเองตือนเช้าขึ้นมานะตั้งใจรักษาศีลคิดเลยว่าวันนี้เราจะรักษาศีลนนรักษาศีลห้านี้แหละ ถ้าตายก็ตายกับศีลหนะสมมติว่าตอนเช้าเราจะนั่งรถไปทำงานรถทับตายเรายังมีศีลอยูนะ่เราจะไปสุขตินะกลางวันก่อนจะไปกินข้าวกลางวันก็ตั้งใจอีกวันนี้จะรักษาศีลหเผื่อสำลักข้าวตายจะได้ตายกับศีล น, นะตอนเย็นก่อนนอนก่อนอะไรนี้ตั้งใจรักษาศีลห้ว่าเราจะรักษาศีล5ตลอดคืนนี้ถ้าตายไปกลางคืนนอนหลับตายไปก็มีใช่ไหมก็ตายกับศีลห้า เนี่ยคอยบอกตัวเองเคยเตือนตัวเองเรื่อยๆนะต่อไปเวลาเรานึกถึงว่าเราได้รักษาศีลมาอย่างสะอาดหมดจดแล้วตั้งสามเดือนแล้วอะไรเงี้ยจิตใจจะอบอุ่นขึ้นมาจิตใจจะมีความสุขขึ้นมาเราจะเกิดสมาธิอย่างง่ายดายเลยเป็นสมาธิที่ง่ายๆเลยนะการนึกถึงว่าศีลของเราบริสุทธิ์หมดจดด่างพร้อยไม่มีสนิดเลยเนี่ยเรียกว่าศีลานุสตินะก็จะเป็นวิธีที่พวกเราคารวะญาติโยมเนี่ยสร้างสมาธิให้เกิดขึ้นอย่างง่ายๆ การคิดถึงว่า เ, ออเรารักษาศีลมาได้ตั้งเดือนหนึ่งแล้วสองเดือนแล้วสามเดือนแล้วยิ่งรักษาได้นานนะบารมีเราจะมากขึ้นมากขึ้นนะบารมีมากขึ้นผู้คนเกรงใจผู้คนนับถือนะลูกหลานก็นับถือนะเราค่อยๆฝึกไปนี่พอเรามีศีลดีแล้วนะต่อไปเราก็มาฝึกสมาธิสมาธิมันมีสองชนิดสมาธิชนิดที่1 น, นึจิตมันไปนสงบอยู่กับอารมณ์อันเดียว นั่เป็นนิ่งๆไม่ไปไหนเลยนะสงบอย่างเดียวเช่นเราหัดพุทโธพุทโธพุทโธจิตเราไปอยู่ที่ลมหายใจไม่ไปไหนเลยอย่างนี้เป็นสมาธิชนิดที่หนึ่งคือจิตสงบอยู่กับพุทโธหรือเรารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าจิตของเราไม่หนีไปไหนเลยจิตเราอยู่กับลมหายใจสบายมีความสุขอยู่กับลมหายใจนี่ก็เป็นสมาธิชนิดที่หนึ่งจิตไปสงบอยู่กับอารมณ์คือลมหายใจ อารมณ์แปลว่าสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะหรือคนไหนดูท้องพองยุบนะดูท้องพองยุบไปจิตสงบไหลไปอยู่ที่ท้องเป็นนิ่งอยู่ที่ท้องเนี่ยถ้าจิตไหลไปอยู่ที่ท้องนิ่งอยู่ที่ท้องไม่หนีไปไหนเลยก็ได้สมาธิชนิดที่หนึ่งจิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวอารมณ์คืออะไรอารมณ์คือท้องไปแดนจงกรมนะจิตไปสงบอยู่ที่เท้าไม่หนีไปที่อื่นถ้าจิตเราไปสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวเนี่ยเป็นสมาธิที่เอาไว้พักผ่อน เวลาเราฟุ้งซ่านสังเกตไหมเวลาฟุ้งซ่านจิตจะสายไปสามาเดี๋ยวคิดเรื่องน้นเดี๋ยวคิดเรื่องนี้ทั้งร้อยเรื่องพันเรื่องในเวลาเพียงแป๊บเดียวถ้าเราอยากให้จิตสงบนะแทนจะคิดร้อยเรื่องพันเรื่องเราก็คิดอยู่เรื่องเดียวคิดถึงศีลของเราก็ได้คิดถึงพระพุทธเจ้าก็ได้นะคิดถึงลมหายใจก็ได้คิดถึงท้องพองยุกก็ได้คิดถึงเท้าที่เคลื่อนไปยกเท้ายัา่งเท้าไปก็ได้ จิตเราไปคิดอยู่ในอารมณ์เดียวไปจดจ่ออยู่ในอารมณ์เดียวจิตก็สงบอยู่ในอารมณ์เดียวได้สมาธิสมาธิที่จิตจดจ่ออยู่ในอารมณ์เดียวเนี่ยเอาไว้พักผ่อนเอาไวนะ้ทําสมถะนะจิตใจจะได้มีเรี่ยวมีแรงจิตใจไม่ทําสมสถะจิตใจไม่รู้จักนิ่งเลยจิตใจจะไม่มีพลังจิตใจกับร่างกายเนะี่ยกลับข้างกันร่างกายต้องเคลื่อนไหวเรื่อยๆนะถึงจะมีความแข็งแรงจิตใจต้องนิ่งถึงจะมีความแข็งแรงนะถ้ามันนิ่งเราก็ต้องฝึก ให้มันอยู่ในอารมณ์มันเดียวธรรมชาติของจิตนะกระโดดลดเต้นวิ่งไปหาอารมณ์โน้นวิ่งไปหาอารมณ์นี้ตลอดเวลาถ้าเรามาฝึกจิตฝึกใจให้มันอยู่ในอารมณ์มันเดียวอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจจิตไม่หนีไปไหนเลยเนะีเราได้สมาธิเช่นแรกสมาธิอย่างนี้เอาไว้ผักผ่อนหรือเวลาเอาไว้ทํางานเวลาเราทํางานทําการอะไรเราก็ต้องมีสมาธิใช่ไหวสาเราขับแท็กซี่อย่างเงี้ยใจเราก็ต้องมีสมาธิไม่ขาดสติไปขับรถ เราจะทําอะไรทําอะไรนะก็ต้องมีสตนะิตลอดเวลาใจจดจอ่ออยู่ในสิ่งที่เราทำนะนนเรียกว่าเราก็มีสมาธิเป็นสมาธิอย่างแรกสมาธิอย่างแรกเนี่ยเอาไปทําวิปัสสนาไม่ได้เป็นสมาธิที่เอาไว้พักผ่อนเพราะงั้นอย่างพวกเราหลายคนชอบไปนั่งสมาธิแล้วก็คิดว่าจะบรรลุธรรมนั่งสมาธิไม่ได้ทําให้บรรลุธรรมต้องเจริญปัญญาถึงจะทำให้บรรลุธรรมได้ พระเาบอกบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาแต่ปัญญาเนี่ยมีสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดและสมาธิมีสองชนิดสมาธิชนิดที่1ไม่ใช่เหตุให้เกิดปัญญาแต่เป็นเหตุให้เกิดความสงบนะเป็นสมถกรรมฐานเราต้องรู้จักสมาธิอย่างที่สองสมาธิอย่างที่สองเนี่ยเป็นสมาธิเฉพาะในพระพุทธศาสนานะคนอื่นเพราะไม่รู้จักเรก อย่างขาไปสวดมนต์ถึงพระจงพระเจ้านะจิตใจเขาไปอยู่กับพระเจ้าเขานึกถึงเทวดาใจเขาอยู่กับเทวดาจดจ่ออยู่กับเทวดาเป็นสมาธิอย่างแรกนะจดจ่อในอารมณ์อันเดียวสมาธิที่2เนี่ยสมาธิของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสมาธิที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวรู้จักคําว่าจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไหมมันตรงข้ามกับลืมเนื้อลืมตัวนะลืมเน้อลืมตัวเรียกวาขาดสมาธิชนิดที่จิตอยู่กับเนื้อกับตัว เราต้องมาฝึกให้จิตใจยอยู่กับเนื้อกับตัวใครเคยอ่านพุทธประวัติตอนเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะอายุได้สามขวบแะมีงานแลกหนักวันพระเจ้าสุทโธทนะไปไถนาพวกพี่เลี้ยงของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเอาเจ้าชายสิทธัตถะไปทิ้งไว้ใต้ต้นว่าให้อยู่องค์เดียวใต้ต้นไม้ตัวเองไปดูพระเจ้าแผ่นดินไถนานี่ละเลยหน้าที่นะแต่ว่ากลายเป็นผลดี ชาชัยสิทธะเนี่ยบารมีเต็มแนละ้วท่านอยู่คนเดียวท่านไม่มีอะไรทําท่านก็ทําสมาธิแบบของท่านทําสมาธิแบบไร้เดียงสาสมาธิแบบเด็กๆไม่ได้ปรุงแต่งอะไรมากเลยท่านไม่ได้รู้จักวิชาอะไรของฤาษีชีไพรนะแต่ท่านมีสมาธิธรรมชาติซึ่งท่านเคยฝึกฝนอบรมมาแล้วด้วยดีท่านกาลุกขึ้นนั่งหายใจหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวนะ ยังมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งเกิดขึ้นไม่ลืมเนื้อลืมตัวเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถนะนั้นบรรลุสมาธิชนิดรู้สึกตัวนะตอนอายุสามขวบเสร็จแล้วท่านก็ลืมอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยสําหรับนักปฏิบัติกระทั่งคนรุ่นพวกเราเนี่ยพระบางองค์ยเคยมาเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าตอนวัยรุ่นไปงานลอยกระทงเพราจุดลุนะให้ท่านระวังไม่รู้ว่าเขาจะจุดแล้วจุดเปรี่ยงขึ้นมานะใกล้ๆท่านตกใจ ตกใจปุ๊บเห็นจิตที่ตกใจจิตก็สงบตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเลยรู้ตัวรู้สึกตัวขึ้นมาอย่าง น, นี้ก็มีหลวงพ่อตอนเด็ ก, ดกอายุสิบกวบไฟไหม้ใกล้ๆบ้านเห็นไฟไหม้เนี่ยตกใจลุกขึ้นได้นละ้ววิ่งจะไปบอกพ่อว่าไฟไหม้ข้างบ้านก้าที 1, ่หนึ่งก้าที่สองพอก้าที่สมแล้วมันเหมือนเปิดสวิตข้างในขึ้นมาพลึบขึ้นมาเลยมันรู้สึกตัวขึ้นมาน จิตใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวมันเห็นความตกใจที่เกิดขึ้นแล้ความตกใจขาดสะบั้นตรงนั้นนะรู้สึกตัวขึ้นมาเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเอาไว้ทําประโยชน์อะไรนะไม่ว่าจะเจ้าชายศรีทัต t h หรือพระองค์ที่เล่าหรือหลวงพอไม่ได้ไปเทียบพระพุทธเจ้านะแต่ว่ามันเป็นกระบวนการของจิตใจซึ่งเป็นอย่างนี้แหละของเก่าที่เคยฝึกฝนอบรมมาเนี่ยตอนเด็กๆบางทีมันขึ้นมา อย่าพวกเราหลายคนเลยที่หัดภาวนากับหลวงพ่อแล้ว พ, อ, วพอจิตตื่นขึ้นมาแล้วรู้เลยว่าอันเนี้ยของเดิมเคยเป็นใครเคยรู้สึกอย่างนี้ยกมือให้ดูทิมีไหมโอ้ถ้าพวกรู้สึกอย่างเงี้ยมันพวกมีของเก่านะมีของเก่าแต่สนิมขึ้นไปนะเมมาขัดสนิมนะชาตินี้ไม่งั้นไปไม่รอดเหมือนกันเจ้าชายศรีธัฏฐ์ทา่านก็ลืมแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าสมาธิอย่างเนี้ยเป็นของดีของวิเศษเป็นเส้นทางที่จะนําไปสู่ความพ้นทุกข์ ท่านลืมไปพอท่านอายุยี่สิบเก้าท่านจะออกไปบวชท่านออกไปบวชท่านก็อยากปฏิบัติธรรมใช่มสิ่งแรกที่พวกเราเวลาคิดถึงการปฏิบัติธรรมคืออะไรไปนั่งสมาธิเลเจ้าชายศรีทัตถ า, า, าก็คิดเหมือนที่เราคิดความจริงเราคิดเหมือนท่านเพราะท่านเกิดก่อนนะเพราะเราเราพวกเราคิดถึงปฏิบัติธรรมทีไรเราจะต้องคิดถึงการนั่งสมาธิก่อน บางคนถึงขนาดประกาศเลยวนะต้องนั่งสมาธิก่อนถึงจะเจริญปัญญาได้อันนี้พูดเอาเองนะพูดเอาเองพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นพูดเอาเองทั้งสิ้นเลยโมเมเออกก่าวตูพระพุทธเจ้านะเจ้าชายสิทธัตถะออกจากวังมาสิ่งแรกที่ไปทํานะก็คือไปหัดนั่งสมาธิกระลือีนั่งสมาธิแล้วไปได้อะไรนะได้อากินจัญญายตนะจิตไม่จับกับอะไรเลยนะจิตไปจับความไม่จับอะไรเลยจิตไปจับความไม่จับนะ ว่างๆอยู่ความว่างไปได้แล้วก็จนกระทัางสัญญาความจําได้หมายรู้ความรู้สึกตัวนี้มันอ่อนอ่อน อ, อนลงไปริปหรี่ริบหรีหร่นะเกือบจะหมดความรู้สึกตัวเป็นเนวสัญญาโลกธาตุนี้ดับหมดเลยนั้นเหลือแต่จิต ด, ดวงเดียวนี้นถ้าความรู้สึกตัวก็รีลงไปเต็มทีท่านก็ออกจากสมาธิมาท่านก็พบว่ากิเลสกลับมาเหมือนเดิม สมาธิที่ไปเพ่งความว่างใช้ความว่างเป็นอารมณ์ใช้ความไม่มีอะไรเป็นอารมณ์อะไรนี้ใช้จิตเป็นอารมณ์เลยมันคือสมาธิเพ่งอารมณ์คือสมาธิชนิดที่หนึ่งะชนนาธชนิดที่หนึ่งที่จิตเราไปเพ่งอะไรนิ่งๆไปอันเดียวนะั่นแหละที่เราชอบทํานั่นแหละพอท่านฝึกมาสําเร็จตามหลักสูตรของอาจารย์แล้วท่านสรุปเลยว่านี่ไม่ใช่ทางแต่พวกเรล่านี้หน้าด้านหน้าถนแนละ้วบอกว่านี่คือทางนะหลายคนเลยนะบอกต้องนั่งสมาธิ อ, อย่างนี้แหละ ได้ฌานแะล้วถึงจะบรรลุธรรมเจ้าชาติทธธรรมอกนี่ไม่ใช่ทางนะท่านก็ดิ้นรนหาต่อไปฝึกจิตแล้วไม่สําเร็จนะสู้กิเลสไม่ได้แล้วมาฝึกทางกายอยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนนะทรมานมันทรมานราน่างกายก็เพื่อจะดัดนิสัยกิเลสนั่นแหละสุดท้ายท่านก็พบว่านี่ก็ไม่ใช่ทางนะตอนใกล้ๆจะตรัสรู้เนี่ยท่านนึกถึงของเก่าได้นะนึกถึงสมาธิ ดั้งเดิมของท่านสมาธิที่เป็นทางสายกลางไม่ได้ขาดสติเคลือบเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวไม่ได้บังคับตัวเองจนเคร่งเครียดเป็นสมาธิที่รู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวนะจนกระทั่งลมหายใจประณีตละเอียดลงไปกลายเป็นแสงสว่างเป็นแสงสว่างแล้วนะจิตตรึกอยู่ในแสงสว่างก็รู้สึกตัวจิตเคล้าเคลียคือวิจารนะ ออย่นสสงสวงมิตกก็คือจิตเนี่ยเข้าไปจับตัวปฏิภาคนี่มีตัวแสงวิจาร์นีจิตไปเคล้าเคลียร์อยู่กับแสงโดยไม่เจตนาให้เคล้าเคลียร์จิตไม่หนีไปไหนเลยมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งเกิดขึ้นได้ปฐมฌ า, านถัดจากนั้นท่านก็เห็นว่าตรงที่มีมิตก ม, มิจาร์นจิตยังมีภาระมากจิตต้องเคลื่อนไปที่แสงสว่าง การเคลื่อนไปที่แสงสว่างก็ขาดสะบั้นลงพรอเรารู้ว่าจิตเคลื่อนนี้เป็นกฎของการปฏิบัติเลยนะถ้าเรารู้ว่าจิตเคลื่อนนะจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดแสงสว่างและจิตเคลื่อนไปจับแสงสว่างเป็นวิตกวิจาร์เนี่ยพอรู้ว่าจิตเคลื่อนในวิตกวิจารณ์จะดับนะจะเกิดเหลือแต่ปีติเหลือแต่ปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งเกิดขึ้นตรงที่จิตไม่เคลื่อนออกไปแล้วเนี่ยจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติเพราะฉั้นในฌานที่สองเนี่ย ตัวรู้จะเกิดขึ้นจิตจะตั้งมั่นถึงฐานอย่างแท้จริงเลย น, นี่เป็นวิธีที่จะฝึกให้ได้สมาธิที่ถูกต้องนะถ้าจะฝึกให้ได้สมาธิที่ถูกต้องเต็มรูปแบบต้องทำฌานให้ถึงฌานที่สองถึงจะได้สมาธิเต็มรูปแบบคือจิตไม่เคลื่อนไปหาแสงสว่างที่เป็นนิมิต ท, ที่เกิดขึ้นแต่ถ้าพวกเราไม่สามารถฝึกจิตอย่างนี้ได้นะเข้าฌานไม่เป็นในที่นี้ใครเข้าฌานเป็นยกมือสิ มีไหมดูดูดูดูดูดูนะไม่มีสักคนเลยหรอดูพระบ้้งมีไหมพวกเราไปดูพระจิตออกนอกจิตวิ่งไปอยู่ที่พระดูออกไหมไม่มีสมาธิถ้าสมาธินะจิตไม่ออกนอกนะวิธีการที่จะให้จิตไม่ออกนอกจิตอยู่กันเนื้อกับตัวไม่ใช่ไปห้ามมันหลวงปู่ดูลสอนบอกว่าธรรมชาติจิตย่อมส่งออกนอก แต่ถ้าเมื่อไหร่เรารู้ฐานจิตที่ส่งออกนอกนีจิตที่เกิดสมาธิจิตที่ไม่ออกนอกจิตที่ตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวจิตที่ถึงฐานจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติจิตที่เคลื่อนไปหาอารมณ์เนี่ยเป็นจิตที่ฟุ้งซ่านประกอบด้วยความฟุ้งซ่านมีโมหะคือความฟุ้งซ่านหนุนหลังอยู่ทนันทีที่เรามีสติรู้ทันว่าจิตมันเคลื่อนไปจิตจะตั้งมั่นโดยอัตโนมัติเพราะอะไร เมื่อไรสติเกิดมานั้นกิเลสจะดับโดยอัตโนมัตินี่เป็นกฎของธรรมะเห็นไหมวันนี้สอนแต่กฎของธรรมะนะอัศจรรย์ทั้งนั้นเลยนะแต่ละอย่างแต่ละอย่างถ้ารู้แล้นะถ้าปฏิบัติแล้วโอ้ยไม่มีอะไรอัศจรรย์เทาธรรมะของพระพุทธเจ้าหรอกทันทีที่รู้ว่าจิตไหลไปนะจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติจิตปกติไหลไปทางไหนบ้างปกติไหลไปดูใช่ไหม เห็นรถชนกันวิ่งไปดูจิตวิ่งไปดูรถชนอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะถนน อ, นอีกฝั่งหนึ่งรถยังติดเลยน้ำติดทั้งสองฝั่งทั้งที่รถชนกันอยู่ที่เดียวนะติดไปหมดเลยเพราะทุกคนจะต้องชะลอดูอันนี้เป็นความเมตตากรุณาของคนไทยกลัวเขาอันตรายนะชะลอรถดูหน่อยว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าจริงๆนี่ใส่สอดรู้สอดเห็นะนะอะเนี่ยจิตมันจะไหลออกไปไหลไปทางตา ไหลไปทางหูเช่นคนข้างบ้านเขาคุยกันอยากฟังพยายามฝึกที่ผสมฟังผัวเมียเขาซุบซิบอะไรกันนะมันนินทาเราหรือเปล่านะใจไหลไปทางหูนะไหลไปทางจมูกได้กลิ่นนะเคยไหมกลิ่นอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยนะฉีดไหลไปที่จมูกไหลไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นเวลากินข้าวเด็ด อ, อร่อยรู้สึกไหมมันเมามันนะมันลืมตัวอย่างบางคนนะตั้งใจ ต่อไปนี้จะไดเอทจอรถอะไรคุมน้ําหนักอะ่ะนะจะลดน้ําหนักจะไดเอทนระตั้งใจไหมกินข้าวจานแรกคำแรกยังไดเอทนะแล้วคำที่สามลืมไปแล้วเป็นนึกได้อีกทีจานที่สี่อย่างเงี้ยนะ <c oughs> ใจมันหลง <c oughs> เพลินไปกับรถนะเนี่ย <c oughs> มันหลงหลงไปทางตาหลงไปดูหลงไปทางหูหลงไปฟงังหลงไปทางจมูกหลงไปดมกลิ่นหลงไปทางลิ้นหลงไปกับระ เวลาเรากินของอร่อยเนี่ยแต่ละคําเนี่ยอร่อยไม่เท่ากันรู้สึกไหมรสเหมือนกันแต่อร่อยไม่เท่ากันคําแรกอร่อยเยอะใช่ไหมไม่แน่ถ้าอยากกินมากคําแรกไม่รู้รสเลยนะคำที่สมแล้วเออ เ, อ, อ, เ อ, อ, อร่อยเลยแล้วคที่ยี่สิบไม่อร่อยแล้วนะอยากจะอาเจียนแล้วเห็นไหมไม่แน่ไม่เชียงแต่รสยังไม่ได้หายไปนะใจเราเปลี่ยนใจเราเปลี่ยนเร็วนะเปลี่ยนเร็ว นี่ค่อยๆหัดนะใจเราหลงไปกับรถก็จิตออกนอกใจหลงทางตาก็เรียกว่าจิตออกนอกหลงทางจมูกทางลิ้นทางกายจิตออกนอกหมดเวลายุงมากัดสังเกตไหมยุงมักัดเราจะดูที่ผิวหนังของเราที่เจ็บเพราะยุงกัดหรือเราจะดูที่ยุงนึกออกไหมดูยุงใช่ไหมไม่ได้ดูโอ้ผิวหนังเราเจ็บไม่มีใครมองเลยดูแต่ยุงใช่เวลาเราขับรถไปคนเขาปาดหน้าเรานะ เราจะดูอะไรดูไอ้คนที่ปากเราไม่ดูใจที่โกรธเห็นไหมธรรมชาติของเราเนี่ยจะดูออกนอกตลอดเลยงั้นเราเลยไม่ได้มรกได้ผลกับเขาสักทีเพราะเราจิตออกนอกหมดนะเวลาใจออกนอกยังมีอีกอย่างหนึ่งจิตออกนอกยังมีอีกอย่างที่เกิดบ่อยที่สุดคือจิตออกนอกไปคิดจิตเราคิดทั้งวันเลยนะคิดทั้งคืนใครคิดทั้งวันบ้างยกมเหมือสิมีไหมไหนี่เหลือไม่คิดเลยเหรออัศจรรย์ อาสจรรย์แห่งอาธรรม <c oughs> ไม่ใช่ธรรมะแล้วนี่อาธรรมแล้วะเพราะไม่เห็นความจริงจิตของเราเนี่ยมันมีธรรมชาติคิดชอบคิดนะคิดทั้งวันคิดทั้งคืนใครเคยอกหักไหม อ, อ, อกหักนะเพื่อนกอดปลอบใช่ไหมเธออย่าไปคิดถึงเขาสิพูดได้แต่ทําไม่ได้นึกออกไหมยิ่งโกรธใครมากก็ยิ่งคิดถึงเขามากยิ่งรักใครมากก็ยิ่งคิดถึงเขามากห้ามได้ไห ม, ห, ม, ไมห้ามไม่ได้ใจเราเนี่ยชั่งคิด ในระหว่างตาเห็นรูปกระจคิดอะไรเกิดบ่อยพอกันหลับตาแล้วยังคิดได้ไหมเออหลับตาแล้วยังคิดได้ปิดหูไปด้วยยังคิดได้ไหมคิดได้มีใจดวงเดียวนะส่งออกนอกได้ตลอดเลยแล้วจิตที่ส่งออกนอกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนีนที่ออกบ่อยที่สุดนะ อ, ออกทางใจออกไปคิดนี่แหละงั้นเวลาที่เราจะหัดกรรมฐานให้จิตตั้งมั่นไม่ออกนอกเนี่ยวิธีที่ง่ายๆนะให้รู้ทันจิตที่ไหลไปคิต จิตชอบลงไปคิดเมื่อไรจิตหนีไปคิดรู้ทันเมื่อไรจิตหนีไปคิดรู้ทันแต่อยู่ๆจะไม่ให้รู้ทันจิต ท, ที่หนีไปคิดรู้ยากนะเราต้องทํากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาสัก่อ น, นเป็นเครื่องสังเกตจิตเช่นเราหายใจหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกถ้าจิตหนีไปคิดเราก็รู้ทันมันจะลืมลมหายใจมันจะหนีไปคิดแล้วเราพุทโธพุโทโธพุโทพโธอยู่นะแป๊บเดียวไปคิดเรื่องอื่นแล้วลืมพุทโธเราก็จะสังเกตได้ง่าย งั้นการที่เราจะคอยรู้ทันจิตให้ชำนิชำนาญ น, นะรู้ได้ว่องไวเนี่ยเราควรจะมีกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งหายใจก็ได้พุโทโธก็ได้นะดูท้องพองยุบก็ได้อะไรก็ได้แต่ไม่ใช่ทําเพื่อให้จิตเป็นนิ่งอยู่กับลมหายใจไม่ใช่ทําเพื่อให้จิตนิ่งอยู่กับพุทโธไม่ได้ทําเพื่อให้จิตนิ่งอยู่กับท้องพองยุบเหมือนที่ทําสมถะเราทํากรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิต พุทโธพุทโธจิตนี้ไปคิดรู้ทันพุทโธแล้วก็ไปเพ่งจิตไม่นิ่งๆรู้ทันหายใจไปจิตนี้ไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจแล้วรู้ทันรู้ทันจิตที่เคลื่อนเนี่ยรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆสุดท้ายจิตจะไม่เคลื่อนจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาพอเคลื่อนปุ๊บจะรู้ปั๊บเคลื่อนปุ๊บจะรู้ปั๊บถ้าฝึกได้ถึงตรงนี้นะสมาธิอัตโนมัติจะเกิดขึ้นพอจิตเคลื่อนปุ๊บรู้เลยจิตเคลื่อนปุ๊บรู้เลยหลวงพ่อจะหยุดพูดแป๊บหนึ่ง พวกเราสังเกตดูซิว่าจิตเราจะไหลไปคิดไหมห้ามคิดนะคิดไหมคิดเห็นไหมห้ามได้ไดเห็นไหมห้ามไม่ได้ให้รู้ทันรู้ว่ามันไหนไปคิตแค่นี้แหละถ้าฝึกตัวนี้ได้นะเราจะได้สมาธิที่วิเศษที่สุดเลยสมาธิที่มีในพระพุทธศาสนาสมาธิ ที่คนธรมธรมดาธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยอาศัยสมาธิชนิดนี้ไปเจริญปัญญาก็เป็นพระอริยะบุคคลขึ้นมากรนะะทั่งพระพุทธเจ้าก็อาศัยสมาธิอย่างนี้ยจนเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมางั้นเราต้องมาฝึกจิตฝึกใจนะจิตเราไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปคิดรู้ทันแบ่งเวลาไว้เลยแต่และ ว, วันนะวันหนึ่งสองรอบสามรอบก็ได้ไม่ไม่จํากัดนะเนี่ยอย่างน้อยที่สุดได้หนึ่งรอบเพื่ออย่างดี แบ่งเวลาไว้วันหนึ่ง10นาทีก็พอแล้วนะสวดมนต์ไปก็ได้หายใจไปก็ได้ทำกรรมฐานอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งและเวลาจิตหนีไปคิดให้รู้ทันนะฝึกนะฝึกไว้แล้วเราจะได้ของดีของวิเศษไม่งั้นหลวงพ่อก็เทศเหนื่อยเปล่านั่งหรือบินมาเทศเนี่ยนะจ่ายค่าหรือบินเองด้วยนะ mm hmm. ออไม่ได้หาผลประโยชน์อะไรสักสลึงหนึ่งเลยนะพวกเราเรียนฟรีด้วยนะแล้วก็ตั้งใจภาวนานะ ใครรู้ถันทุกวันขอสิบนาทีใครให้ได้บ้างยกมือสิขอสิบนาทีให้ได้บ้างแล้วต้องให้นะใครจะให้ได้ใครจะให้ใครจะยอมว่าวันหนึ่งขอสิบนาทีจะนั่งหายใจแล้วรู้สึกตัวจะพุดโธแล้วรู้สึกตัวอะไรเงี้ยนะขอสิบนาทีเท่านั้นแหละโอกาสที่เราจะเป็นพระอริยกับเขาก็จะมีขึ้นมาได้นะแต่ถ้าห้านาทีสิบนาทีก็ไม่ยอมถวายพระพุทธเจ้าเนี่ย ไม่มีทางหรอกนะยากวันๆเอาแต่ฟุง้งเอาแต่แต่กิเลสกนะ็ไม่จะได้อะไรขึ้นมาก็จมกับกิเลสตายไปกับกิเลสเกิดมาก็เพราะกิเลสนะมีชีวิตอยู่กับกิเลสแล้ก็ตายไปกับกิเลสขาดทุนเปล่าๆเลยที่เกิดเป็นมนุษย์นะเพราะงั้นวันหนึ่งเนี้ยตั้งใจว่าเราจะขอถวายเวลาสิบนาทีให้พระพุทธเจ้าเราจะสวดมนต์ก็ได้สวดมนต์ไปแล้วเราก็คอยรู้ทันจิตใจที่หนีพิคิด นโม ble, ตัสสะพระคัลวะโตมันยังไม่ทัน阿拉หะโตเลยหนีไปละเ น, นี่ยรู้ทันนะเนี่ยรู้ไปเรื่อยๆสวดได้หลายบทก็ไม่เป็นไรสวดไม่ได้สักบท น, นะพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆอย่างนี้ก็ได้นะพุทโธธรมโมสังโฆจิตหนีไปล้วพุทโธธรมโมสังโฆก็ยังจําไม่ได้เอาพุทโธตัวเดียวก็ได้พุทโธพุทโธพุทโธไปนะจิตหนีไปคิดเรารู้ทันอีกนะพุทโธคงจําได้นะ สั้ น, นิดเดียวแล้วจำไม่ได้โอ้ผิดปกติแล้วนะไปเช็คสมองได้แล้วเนี่ยต้องทํานะพุทโธพุทโธไปแล้วจิตหนีไปเรารู้ไม่ใช่พุทโธให้นิ่งพุทโธแล้วจิตหนีเรารู้จิตหนีเรารู้ฝึกอย่างนี้มากเข้ามากเข้านะจิตจะอยู่กับตัวต่อไปนะเวลาจิตมันเคลื่อนสติรู้ทันโดยที่ไม่ได้เจตนาให้รู้นี่เรียกว่าสติอัตโนมัติเกิดขึ้นพอพอจิตเคลื่อนไปสติรู้จิตก็ตั้งมั่น อนนี้สมาธิอัตโนมัติจะเกิดขึ้นจิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวคนตลอดเวลาเนี้ยลืมเนื้อลืมตัวนะหมาแมวมันก็ลืมเนื้อลืมตัวเราไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานเราไม่ได้ต่ําต้อยพวกเราเกิดมาสมบูรณ์ทุกคนทุกคนมีสติมีปัญญามีความรู้ความสามารถนะสุขภาพร่างกายครับสมบูรณ์อาการ32อะไรเนะี่ยเรามาฝึกจิตฝึกใจของเราอย่าให้เสียชาติเกิดนะเอาวันนึ่งสักสินาที จิตหนีไปเรารู้จิตหนีไปเรารู้ไม่ห้ามไม่ใช่ว่าห้ามหนีนะห้ามคิด10นาทีโอ้โหคิดไปร้อยเรื่องนะห้ามไม่ได้เอาแค่ว่าเขาหนีไปคิดเรารู้ฝึก อ, อย่างนี้นะถ้าเราทําตรงนี้ได้เนี่ยหลวงพ่อจะบอกให้พอสติอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัตินะต่อไปปัญญาจะเกิดถ้าปัญญาเกิดเนี่ยเวัน7เดือน7ปีเกิดซ้ําๆไปเรื่อยต้องได้อะไรบ้าง อาจจะเป็นพระอราหันต์อาจจะเป็นพระนาคาเป็นพระสกทาคาพระโสดาหรือบารมีอ่อนมากเลยแต่ฝึกอย่างนั้นนะเป็นนิสัยต่อไปพระพุทธเจ้าเสีรยระยะเมตรายมาตรัะแร้วฟังธรรมปุ๊บเดียวเราก็บรรลุแล้วแม้เราก็บรรลุชา้าเหมือนที่ชาตินี้บรรลุชา้านะเลยช้าเรื่อยๆมาทั้งสองพันห้าร้อยกว่าปีสองพันหร้อยปีแล้วหลังจากที่ธรรมะนี้อุบัติขึ้นทั้งสองพันหร้อยปีแล้วเรายัางไม่บรรลุอีกเนานแล้วนะ เราต้องฝึกตั้งแต่ชาตินี้แหละพุทโธไปหายใจไปจิตหนีไปคิดเรารู้เอาตัวนี้ให้ได้พอเราได้สมาธิแล้วเนี่ยเราก็มาถึงขั้นสุดท้ายละคือขั้นเจริญปัญญาเราทําสมาธิไม่ใช่เพื่อความสุขไม่ใช่เพื่อความสงบไม่ใช่เพื่อความดีแต่เราทําสมาธิเพื่อให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเพื่อเราจะได้มาเจริญปัญญา การเจริญปัญญานั้นก็คือการมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจตัวเองเราจะมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจเราเองนะเช่นเรานั่งหายใจไปแต่เดิมเราคิดไหมว่าร่างกายนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างรู้สึกอย่างนี้ไหมนะร่างกายนี้คือตัวเรารู้สึกไหมเนี่ยเรายา ร, รู้สึกเลยร่างกายเป็นตัวเราร่างกายนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างอันนี้เป็นความรู้ที่ไม่ถูกต้องนะถ้าเรามีสมาธิมากพอ เราจะเห็นเลยร่างกายหายใจออกไม่ใช่เราหายใจออกร่างกายหายใจเข้าไม่ใช่เราหายใจเข้าจิตมันเป็นคนดูอยู่ถ้าจิตมันมีสมาธิจิตมันจะเป็นแค่คนดูไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งแต่จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาพอจิตมันเป็นคนดูแล้วร่างกายเคลื่อนไหวสติระลึกรู้เนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวไม่ต้องแกล้งเคลื่อนอย่างนี้นะอย่างนี้จิตหนีไปที่อื่นห้าร้อยครั้งแล้วะ บางคนหลวงพ่อเคยรู้จักเขานะก็ฝึกกรรมฐานอะไรก็ไม่รู้พอกินข้ า, าวเช้าเสร็จก็แปลงฟันเขแปลงฟันจนกระทั่งเพื่อนกินข้าวกลางวันเสร็จอีกมือหนึ่งเลยแปลงฟันยังไม่เสร็จเคลื่อนสุดท้ายจิตไปอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนะไม่ได้นะอย่าไปฝึกแบบนั้นนะต้องรู้เนะื้อรู้ตัวร่างกายเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวไปตามธรรมชาติธรรมดาเนี้ยรู้สึกเนี้ย น, นั่งคอสเดใีใจลอยเห็นไหม อยนี้ไม่ได้นะเขาต้องรู้สึกรู้สึกทํากรรมฐานอะไก็ได้นะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเรื่อยๆอย่าให้ใจลอยนะแล้วก็หัดรู้หัดดูไปเรื่อยความสุขความทุกข์เกิดในร่างกายก็รู้ใจเราเป็นคนดูมันก็จะเห็นสุขทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเราร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเรากิเลสเกิดขึ้นในใจความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นจะเห็นแต่ว่ามันสักว่ากิเลสนะมันไม่ใช่เราโกรธนะแต่มันเป็นความโกรธที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เราโกรธ ความโลภมันเกิดขึ้นมันก็เป็นแค่ความโลภที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เราโลภร่างกายมันเจ็บปวดมันไม่ใช่เราเจ็บปวดจิตใจมันกังวลขึ้นมามันไม่ใช่เรากังวลแต่จิตมันกังวลเพราะจิตมันไม่ใช่เรากายนี้มันไม่ใช่เราเนี่ยถ้าจิตเรามีสมาธิที่ถูกต้องที่หลวงพ่อบอกนะฝึกจนกระทั่งมันชํานาญขึ้นมาแล้วเนี่ยพอสติระลึกรู้กายมันจะเห็นว่ากายไม่ใช่เราหรอกสติระลึกรู้ความสุขทุกจะเห็นว่าความสุขทุก์ไม่ใช่เราหรอก สติะระลึกรู้กุศลนะกุศลโลบโกรดหลงอะไรที่เกิดขึ้นก็จะเห็นว่าโรภโกรดหลงไม่ใช่เรานะกุศลทั้งหลายก็ไม่ใช่เรานะจิตเองก็วิ่งไปทางตาจิตวิ่งไปทางหูจิตมันวิ่งของมันเองวิ่งบิคิดได้เองมันไม่ใช่เราอีกสุดท้ายมันจะหาเราไม่ได้ในขันห้าในกายในใจของเรานี้จะไม่มีเราตรงไหนเลยนะถ้าได้เห็นอย่างนี้ได้เห็นความจริงต้องดูซ้าแล้วซ้าอีกนะ บางคนพอเห็นครั้งแรกว่าร่างกายไม่ใช่เราเนี่ยใจเสียเลยเสียดายโอ้ร่างกายไม่ใช่เราใจอ่อไปเลยนะใจเศร้าเลยเศร้าเห็นหน้าตาแล้วหน้าเขกหัวไม่นั่งสารนะ <c oughs> เห็นถูกแล้วใจยังยอมไม่ได้ยังหวงแหน่อยู่เนะ่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปนะมันจะเห็นเลยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรามันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะร่างกายมันเดิน ไม่ใช่เราเดินร่างกายมันนั่งม ado, ไม่ใช่เรานั่งร่างกายมันนอนไม่ใช่เรานอนร่างกายยืนไม่ใช่เรายืนร่างกายหายใจออกไม่ใช่เราหายใจออกร่างกายหายใจเข้าไม่ใช่เราหายใจเข้าร่างกายเจ็บป่วยก็ไม่ใช่เราเจ็บป่วยนะร่างกายแก่ก็ไม่ใช่เราแก่ร่างกายตายก็ไม่ใช่เราตายค่อค่อยฝึกน้ำจะค่อยๆ่คลายความเห็นว่าเป็นเราออกไปในจิตใจก็เหมือนกันนะเดี๋ยวสุขขึ้นมาก็เห็นความสุขมันเกิดขึ้นไม่ใช่เราสุขทุกเกิดขึ้นก็เห็นว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นไม่ใช่เราทุก โลบโกรธหลงเกิดขึ้นก็แค่โลบโกรธหลงไม่ใช่เราโลบเราโกรธเราลงใจเราเป็นคนดูที่เป็นอิสระออกมาแล้วความเป็นตัวเป็น ต, น, ตนมันจะหายไปเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกนะเจ็ดวันเจเดือนเจปีเห็นไปอย่างเนี้ยเรื่อยๆเลยเห็นร่างกายทํางานเห็นจิตใจทํางานไม่มีเราตรงไหนถึงจุดหนึ่งจิตมันจะยอมรับตรงที่จิตมันยอมรับความจริงครั้งแรกที่บรรลุพระโสดา บ, บันนีจิตจะรวมเข้าสมาธิอย่างลึกเอง ทั้งๆที่เกิดมาเราไม่เคยเข้าฌานนะถึงวันนั้นน่ะจิตจะเข้าฌานของมันเองโดยที่เราไม่เจตนาเลยแล้วเวลาที่เข้าฌานเนี่ยไม่ใช่เข้าฌานแบบของฤๅษีชีไพรด้วยถ้าฌานของฤๅษีเนี่ยมันจะออกไปอยู่ข้างนอกจิตไปอยู่กับแสงสว่างจิตไปอยู่กับตัวความว่างจิตไปอยู่กับตัวรู้จิตส่งส่ง่งออกไปแต่ตรงที่จิตรวมเข้ามาอย่างแท้จริงเนี่ยมันรวมเข้ามาถึงจิตถึงใจตัวเองจิตรวมลงที่จิต สติระลึกรู้ลงที่จิตโดยไม่เจตนาระลึกนะฟัสติอัตโนมัตินะมีความไหวเกิดขึ้นในจิตสติระลึกรู้เห็นความไหวที่เกิดขึ้นไม่มีตัวมีตนไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่มีภาษาด้วยไม่รู้ว่ามันไหวเรื่องอะไรด้วยนะสติระลึกรู้เห็นความไหวขึ้นมาภายในสมาธิคือจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตจิตไม่ได้แสสายส่งไปไหนเลยโดยไม่ได้เจตนาให้ตั้งมันมันตั้งของมันเองนะแล้วตั้งเข้าถึงระดับฌานเลย ปัญญาก็เกิดขึ้นเองจะเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีเลยไม่มีเราในกายไม่มีเราในใจนี้นะมันจะทวนกระแสนะจิตมันจะปล่อยวางการรู้สภาวะที่ไหวๆอยู่ทิ้งสภาวะนะั้นแล้วทวนเข้าหาตัวธาตุรู้เมื่อจิตทวนเข้าถึงตัวธาตุรู้ที่แท้จริงแล้วเนี่ยปัญญาที่แท้จริงนะเป็นโล ก, กุตระปัญญาจะเกิดขึ้นตัวเราไม่มีนี่ขั้นต้นนะ Ee, zat, จะเห็นเลยตัวเราไม่มีหรอกม่เป็นปัญญาเบื้องต้นเลยมีแต่สิ่งที่เกิดแล้วก็ดับรูปคือร่างกายนี้เกิดแล้วก็ดับความสุขความทุกข์เกิดแล้วก็ดับกุศลอกุศลทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับจิตเกิดแล้วก็ดับจิตไปเกิดที่ตาดับจิตเกิดที่หูดับจิตเกิดที่ใจดับเห็นแต่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดานี่จะเห็นอยู่ในนี้นะนั้นมันปัญญาอย่างยอดจะเกิดขึ้นตรงนี้เอง แล้วถัดจากนั้นเนี่ยอาสวะกิเลสเนี่ยที่ห่อพุ่มจิตอยู่จะถูกอริยมรรคฉีดทำลายล้างออกไปนะขาดออกไปจิตจะเป็นอิสระขึ้นมาช่วขณะช่วงสองสามขณะนะไม่นานอาสวะกิเลสก็รวมตัวใหม่นะกลับเข้ามาปกคลุมจิตไว้อีกจิตก็ถูกกิเลสครอบไว้อย่างเดิมแต่ไม่เหมือนเดิมเพราะความรู้ความเข้าใจเปลี่ยนไปแล้ว ได้รู้ความจริงแล้วว่าตัวเราไม่มีหรอกนะในโลกธาตุนี้มีแต่สิ่งที่เกิดแล้วก็ดับพระโสดาบันถึงรู้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเนะี่ยความอัศจรรย์ของธรรมะนะเป็นความรู้ความเข้าใจที่เกิดจากการปฏิบัติไม่ใช่จากการคิดไม่ใช่เกิดจากการฟังมันถึงจะล้างกิเลสออกจากใจเราได้จริงๆล้างความเห็นผิดออกจากใจเราได้จริงๆอาศัยจุดตั้งต้นที่ว่าให้รักษาศีลห้านั่นแหละ นะแล้วก็มาฝึกให้จิตใจอยู่กับเน้อกับตัวพุโทโธไปหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ฝึกอย่างนี้เรื่อยๆนะพอไปพอมีสมาธิจิตตั้งมั่นแล้วก็ร่างกายเคลื่อนไหวก็มีสติรู้ทันก็เห็นว่ามันไม่ใช่เราเคลื่อนไหวจิตใจเคลื่อนไหวก็มีสติรู้ทันจิตตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่ก็จะเห็นว่าจิตใจเรืองความสุขความทุกข์กุศลอกุศลเท่าไหร่ก็ไม่ใช่ตัวเราเห็นซ้ํำๆจนกระทั่งถึงวันหนึ่งจิตยอมรับความจริงว่าตัวเราไม่มนะีนี่ได้เป็นพโสดาบันนะ เป็นผู้เชี่ยงต่อการตรัสรู้ในวันข้างหน้าวันข้างหน้าเราจะต้องพ้นทุกข์แน่นอนแล้วเราได้หลักประกันที่สาคัญว่าในสังสารวัฏนี้เราจะไม่ไปสู่อบายอีกต่อไปแล้วเราจะไม่ตกต่ำอีกต่อไปแล้วนะพวกเราอย่างพวกเราเนี่ยถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่นะยังมีความเสี่ยงนะตกต่ำได้อีกไม่ใช่ตกต่ำไม่ได้ เข้าวัดนี่แหละตัวดีเลยละเพราะเข้าวัดนนะอยู่ในวัดแป๊บเดียวไปเป็นเพลทก็มีนะแอบไปกินของพระซะก่อนพระก็เศร้าใจยมเอาของไปกินก่อนหรือว่าทานะใจเป็นอกุศลตอนจะตายนิดเดียวพลาดมีนะใจพลาดไปงั้นเราต้องพยายามฝึกนะอย่างน้อยให้ได้พระโสดาบันในชีวิตนี้ไม่เหลือวิสัยเลยถ้ารู้ทางแล้ว มีเทศให้ฟังละเอียดละอ่อแล้วนะอยู่ที่ต้องทำเอาเองถัดจากนั้นก็ฝึกเหมือนเดิมนั่นแหละฝึกอย่างเดิมนั่นแหละมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงรู้ได้จิตที่ตั้งมัน่นรู้ได้จิตที่เป็นกลางเรื่อยๆไปปัญญาก็จะแก่รอบขึ้นถึงจุดหนึ่งนะปัญญามจะรู้ความจริงว่ากายนี้เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่เห็นแต่ว่าตัวเราไม่มีมีแต่สิ่งที่เกิดแล้วก็ดับ แต่มันปัญญามันแทงตลอดลึกเข้าไปอีกสิ่งซึ่งมีอยู่นั่นแหละคือตัวทุกขนะ์ที่แรกเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับพอปัญญาขั้นกลางเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าตัวกายเนี่ยตัวทุกข์สิ่งที่มีอยู่คือกายเนี่ยคือตัวทุกข์แต่จิตเนี่ยยังไม่เป็นตัวทุกข์นะอันนี้ภาวนามาได้ถึงขั้นนี้จะเป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีนะถัดจากนั้นก็ภาวนาอีกนะการภาวนาเนี่ยมันจะทิ้งกาย จิตจะรวมลงที่จิตนะแลจะเรียนรู้อยู่ที่จิตพระนาคานียจะรักษาจิตเหมือนงูจงอางหวงไข่นี่ครูาอาจารย์สอนมานะหลวงพ่อก็ไม่คุ้นกับงูจงอางไม่รู้ว่ามันห่วงไข่เป็นยังไงนะไม่เคยเห็นไข่มันด้วยซ้ำไปนะเคยเห็นแต่ ง, งูจงอางที่เขาขังไว้ก็ดูไม่เห็นดูอะไรซึมๆนะแต่ท่านบอกว่าพระนาคานี้จะห่วงแหนจิตเหมือนงูจงอางรักษาไข่เลยห่วงไข่ ไม่ให้จิตเคลื่อนไปไหนรักษาพอใจมีความสุขมีความสุขที่จิตจะสงบอยู่เพราะฉะนั้นพอใจในความสุขความสงบแต่ว่าไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายซึ่งทําให้จิตฟุ้งซ่านจิตฟุ้งไปหารูปก็ฟุ้งซ่านนะฟุ้งไปฟังเสียงก็ฟุ้งซ่านนะฟุ้งไปหากลิ่นก็ฟุ้งซ่านนี่ไหมฟุ้งไปหารสก็ฟุ้งซ่านฟุ้งไปทางกายก็ฟุ้งซ่านจิตเท่สงบอยู่ที่จิตนะไม่ไปไหนสบายมีความสุข ติดอยู่ในความสุขความสบายนะหลวงปู่ดุลเคยบอกหลวงพ่อว่านักปฏิบัติส่วนใหญ่ที่ว่าเก่งๆอ่ะเมื่อตายลงตรงนี้เองนะไม่สามารถเดินต่อไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกได้นะหลวงปู่สอนหลวงพ่อไว้หลวงปู่ดุลครั้งสุดท้ายแลท่านทิ้งกันบ้านไว้ให้ท่านบอกว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงการทำลายผู้รู้การทำลายจิตเนี้ยทำได้วิธีเดียวนะ คือการรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจรู้ความจริงของอริยสัจคือตัวทุกว่าอะไรคือตัวทุกตัวจิตนั่นแหละคือตัวทุกจริงกว่าตัวทุกทั้งหลายนะถ้าเห็นอย่างนี้ได้เราจะสลอดคืนจิตให้โลกจิตนี้ไม่ใช่ของดีอย่างที่พระนาคาเห็นจิตนี้คือตัวทุกเนี่ที่หลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อมานะเป็นอย่างนี้พวกเราค่อยฝึกเอาจนวันหนึ่งบืงต้นก็จะเห็นก่อนมีแต่ของเกิดกะดับ เบื้องกลางก็จะเห็นกายนี้เป็นทุกข์ใจก็จะไม่แส่สายออกไปหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัสใจพอใจในความสุขความสงบของจิตในขั้นสุดท้ายเห็นเลยว่าจิตเนี่ถึงจะไปสุขไปสงบอยู่ก็ยังตกอยู่ใต้ความไม่เที่ยงนะยังถูกกิเลสบีบคั้นยังพอใจในความสุขในความสงบยังติดอยู่อีกนะจิตยังมีภาระอีกนะสุดท้ายนี่ปล่อยวางจิตไม่ยึดถืออะไรในโลกอีก ที่สุแห่งทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นความอัศจรรย์ของธรรมะนะอัศจรรย์จนไม่รู้ว่าจะเปรียบเปรียบเทียบกับอะไรเราจะได้สัมผัสกับพระนิพพานพระนิพพานนั้นเป็นสภาวะที่ไม่เกิดไม่ดับพนระโสดาบันเนี่ยท่านแจ้งวนะ่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับพระอรหันต์เนี่ยแจ้งในสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับแจ้งในพระนิพพานงั้นเวลาพระอรหันต์ต้องการพักผ่อนเนี่ยท่านจะระลึกถึงพระนิพพานจิตจะสงบอยู่กับพระนิพพานนะมีความสุขเลย นิพพานไม่มีเครื่องเสียดแทงนิพพานไม่มีกิเลสนิพพานไม่มีความดิ้นรนลนรุงแต่งนิพพานไม่มีภาวระไม่มีธาตุไม่มีขันมีแต่ความสุขพวกเราค่อยๆภาวนานะทาไปตามลาดับลาดับตั้งเป้าว่าชีวิตนี้ขอเป็นพราโสดาให้ได้ตั้งเป้ารักษาศีลห้าฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัว ดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานใจของเราเป็นแค่คนดูฝึกอย่างนี้เรื่อยไปนะนก็คงจะได้หรอกไม่ยากนะก็วันนี้เทศเท่านี้ก็พอนะสี่สิบห้านาทีพอดีทำไมเทศสี่สิบห้านาทีมันมีงานวิจัยว่าสมองของคนเนี้ยรับข้อมูลได้อย่างดีสี่สิบห้านาทีพนาทีที่สี่สิบหกขี้เกียจนรมาสการ์ค่ะหลวงพ่อคะ่ะ หนูคิดว่าจิตติดว่างค่ะหลวงพ่อค่ะเพราะว่าลักษณะมันเหมือนกับที่หลวงพ่อเคยพาดูสภาวะตอนติดแสงคล้ายๆกันก็คือมันเบาแต่ไม่ค่อยรู้เนื้อรู้ตัวเออนั่ไม่ดีนะมันไปว่างๆอยู่ข้างนอกบางค น, นสำคัญผิดไปฟังกระทั่งฟังหลวงปู่ดูลสอนนะหลวงปู่ดูลเคยสอนพระองค์หนึ่งชื่อหลวงพ่อสุจินองค์นี้พ่อนาเก่งเหมือนกันหลวงพ่อสุจินนระไม่สบายมาก แล้วกท้งชี่ว่าท่านจะตายตอนที่ท่านจะตายนะั้นท่านก็ดูร่างกายจะตายใจเป็นคนดูเล่ไปนะใจสบายท่านบอกเสดายไม่ตายปรากฏว่าหายพอหายแนละ้วท่านไปถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่ครับถ้าผมจะตายตอนนั้นผมจะวางจิตยังไงหลวงปู่ก็สอนโอ้ยต้องตกกระไดพลอยโจนละคือยังไม่หมดกิเลสเนี่ยต้องต้องไปรุ้นอาน า, นานทีสุดท้ายนะแล้วก็ให้จิตมันถ้าจิตมันว่างสว่างบริสุทธิ์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 หรือเราไปอ่านหนะังสือจิตคือพุทธหนังสือจิตคือพุทธแลนะ้วพูดถึงจิตที่เป็นพุท ธ, ธไม่มีกิเลสหมกศีลสมาธิปัญญาก็ไม่สําคัญนะอันนั้นนะมันเป็นจิตของพระอรหันต์จิตที่ว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งห ย, ห, หยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างศีล ส, สมาธิปัญญาไม่จําเป็นอันนั้นมันคือจิตของพระอรหันต์เหมือนคนที่ขึ้นฝั่งได้แล้วไม่เอาเรือแล้วไม่ต้องแบกเรือไปด้วย เวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราต้องเอาต้นทางเราไม่ได้เอาปลายทางนะต้นทางเนี่ยหลวงปู่ดูลสอนถ้าเป็นพวกดูจิตให้ทํายานเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปยานเห็นจิตหมายถึงมีปัญญาญาณแปลว่าปัญญาเห็นอะไรเห็นความเป็นไตรลักษณ์นะต้องเห็นว่าจิตเองก็เกิดดับจิตเองก็ไม่เที่ยงจิตเองก็ทนอยู่ไม่ได้ในสภาวะใดอัหนึ่งจิตเป็นของบังคับไม่ได้เนี่ยเฝ้าดูของจริงอย่างนี้ไปเรื่อยถึงจะใช้ได้หรือถ้ากว้างขึ้นไปก็ดูขันหนะ้า เห็นขันหมันเกิดดับเห็นขัน5้าไม่ใช่เราเห็นขัน5บังคับไม่ได้ดูกายดูใจนั่นเองถ้าทิ้งการดูกายดูใจเนี่ยนะแล้วก็น้อมจิตไปอยู่ในความบ้างคล้ายๆเราไปเอาปลายทางโดยที่เราไม่ได้ทําต้นทางแค่จะขึ้นมาพระทาตโกรดแก้วนี้อยู่ๆก็กระโดดตุ๊บขึ้นมาบนนี้นะคอหักตายอยู่เชิงเขานี่ยไม่ได้หรอกต้องขึ้นมาเป็นขั้นเป็นตอนนะรักษาศีลหไว้ให้ดี ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวถ้าจิตไปติดว่างติดเฉยน้อมกลับออกมาดูกายเลยไม่ให้มันเฉยดูร่างกายเป็นส่วนส่วนส่วนไปนะผมขนเร็บฟันหนังเนื้อเอ็กระดูกแต่ละส่วนไม่ใช่ตัวเราฝืนใจดูมันเข้าไปใจมันจะเอาแต่ว่างไม่ได้นะนทุกค่ะกลับมานักสการหลวงพ่อค่ะลูก<ม>ปฏิบัติตามซีดีแล้วก็ไม่ไม่เคยส่งกันบ้านหลวงพ่อค่ะเป็นครั้งแรก ปฏิบัติตามซีดีมาประมาณปีกว่าค่ะก็ไปตามดูกายดูจิตตามที่หลวงพ่อได้ได้แนะนำค่ะทีนี้ไม่ทราบว่าที่ปฏิบัติมาจริตของลูกเนี่ยได้ถูกเห็นจิเรศไหมเห็นบ่อยค่ะถ้าเห็นบ่อยใช้ได้น ะ, ะถ้านานๆนเห็นทีหนึ่งก็ใช้ไม่ค่อยได้ถ้าไม่เห็นเลยใช้ไม่ได้เลยค่ะถ้าเห็นบ่อยใช้ได้ค่ะเห็นไหมว่าจิเลสมันเกิดได้เอง ตาไปเห็นใจก็คิดกิเลสก็เกิดหูได้ยินเสียงใจ ค, คิดกิเลสก็เกิดไม่มีทางกระทบอะไรนะใจอย่างเดียวคิดอย่างเดียวกิเลสก็เกิดได้อีกใจคิดเยอะมากค่ ะ, ะนั่นแหละใจคิดเยอะมากถูกต้องค่ะแล้วลูกขอคําแนะ น, นําหลวงพ่อว่าลูกน่าจะปฏิบัติชอบของโยมโดยจริตนิสัยนะดูจิตไปเลยน ะ, ะดูจิตไปเลยเราไม่ใช่พวก หลงรูปหลงโลกอะไรมากมายนะเราติดเรื่องความคิดซะเยอะว่าคิดเก่งเนี่ยให้ดูจิตเอาเพราะเราคิดเรื่องนี้เป็นสุขจิตมีความสุขให้รู้คิดเรื่องนี้จิตมีความทุกข์ให้รู้นะคิดเรื่องนี้โลภกรธหลงให้รู้รู้เพื่ออะไรรู้เพื่อให้เห็นว่าสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงโลภโกรธหลงก็ไม่เที่ยงสุขก็สั่งไม่ได้ทุกข์ก็สั่งไม่ได้โลภโกรธหลงก็สั่งไม่ได้เรียนไปให้เห็นอย่างนี้ค ลูกก็ปฏิบัติตามนี้ไปเรื่อยๆก่อนใช่ไหมครับพ่อขณะนี้จิตมาอยู่ที่หลวงพ่อดูออกไหมค่ะเออให้รู้ทันนะอย่างนี้เรียกว่าจิตออกเนาะค่ะจิตต้องรู้เนื้อรู้ตัวอย่างตะกีนะใช่ตอนนี้ไม่ใช่ค่ะค่ะทำถูกแล้วค่ะอย่างตะเกียะถูกเป๊ะับนวัตการหลวงพ่อนะครับก็พอนี่ก็เคยได้ปฏิบัติมาดู พูดโทพุดโธมาจนจิตนิ่งอจิตจิตสมมถะจิตนิ่งจิตเพ่งนะพอพระอาจารย์มหาสนชายท่านได้เห็นตรงว่าถ้าจิตนิ่งจิตเพ่งอย่างนี้จะเดินปัญญาไม่ได้ให้เปลี่ยนเป็นดูกายดูจิตออืก็พอกไม่รู้ว่าเอ๊ะดูอย่างไรดูกายดูจิตนะฮะทีนี้ทางก็หยิบคีดีของหลวงพ่อให้เอาไปพังที่บ้าน ไปฟังรอบแรกมันใครรู้เรื่องเลยอะฟังอีกรอบย้อนรอบสามรอบเข้าใจใคช่ใครฟังหลวงพ่อสีแ่แรกทีแรกนะก็งงทุกคนอ่ะต้องฟัง<อ>หลายหลายทีตอนนี้ก็พอจะรู้ว่าจิตเป็นอย่างไรเวลาจิตหนีออกนอกสติมันตามทันตา ม, ตามค่อยรู้กดค่อยรู้อยู่แต่ก็มันก็อยู่ขณะเนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับ ย เ, เยังเป็นตัวกูของกูอยู่ <c oughs> รเราไม่ได้ภาวนาเอาอะไรหรอกค <c oughs> รับผมภาวนาเนี่ยก็คือพาจิตให้มันดูของจริงเรื่อยไปเห็นไหมจิตมันเป็นเองเห็นไหมจิตมันไม่เที่ยงนะมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงออกมันได้เองมันเป็นอนาจตามันไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกก็ไม่เที่ยงจิตดีจิตชั่วก็ไม่เที่ยงดูซ้ําแล้วซ้ําอีกไปนะก็ <c oughs> ดูไปจนมันพอแล้พอแล้วมันรวมมาตัดเอง ดูไปเรื่อยๆนะใช่ทำถูกแล้วครับผมขอบคุณครับโอ้ลูกศิษย์หลวงพ่อสมชายในภาวนาดีนาะสอนเก่งครับก็ไม่ได้ส่งการบ้านมาปีกว่าๆแล้วครับปีที่แล้วหลวงพ่ อ, อ, อผมไปส่งการบ้านหลวงพ่อก็บอกว่ามันมันพอจะเดินวิปัสสนาได้ละแล้วก็ให้มาปฏิบัติต่ออะไรเงี้ยฮะก็ระหว่างปีเนี่ยเข้าใจว่าโดนถลุงเอายับเยินเลย ก็เลยมาส่งก <cues> <to re> ันบ้านกับคุณมาลีที่เนี่ยครับท่านก็บอกว่าเออใจมีอยู่คํานึงที่มันติดอยู่ในใจผมก็คือจิตมันไม่ย้อนกลับมาดูกิเลสมันไม่ย้อนกลับมาดูตัวมันเองอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยจับจับคำคำเนี้ยกลับไปกลับไปสังเกตดูก็ก็ปรากฏว่าใช่จริงๆคือจิตมันมันเหมือนกับมันเคยเห็นขันมันกระจายแล้วมันกลัวแล้วมันมันมันหนีใช่ครับ มันก็มันก็ไม่ยอมย้อนกลับมาดูตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็พอผมพิจารณาตรงเนี้ยสักพักหนึ่งจิตมันก็เริ่มเห็นความเป็นอนัตตาของตัวมันเองอย่างเงี้ยมันก็จู่ๆมันก็มีความเศร้าที่มันเอ่อขึ้นมาเหมือนเหมือนท่วมขึ้นมาให้เฉยเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เออ่หลังจากนั้นมันก็ค่อยๆสลายตัวไปอย่างเงี้ยก็ก็ดูต่อไปยังไม่หมดหรอกมันยังรักยังห่วงแหนครับเห็น หลังาจากล น, น<ด>ครับผมก็จะเห็นเลยว่ามันมันตะคุบเอาอะครับมันจะตะคุบแล้วก็ยืดไว้ตะคุบแล้วก็ยืดไว้บางครั้งถึงขั้นถึงขั้นเถียงถึงขั้นเถียงขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยว่าว่าก็ไม่สิมันต้องมีความสุขอยู่อะไรเงี้ยครับเหมือนกับมันมีความสุขนะถ้าอะไร่พ้นจากขันเนี่ยเราจะเจอความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนแต่ขันเนี่ยเป็นตัวทุกนะครับให้มันเถียงไปแต่เราไม่เชื่อมัน เราจะดูแล้วดูอีกก็เนี่ยฮะก็สู้กันอยู่ก็เลยงงๆว่าเอ๊ะมันมันเชื่อกิเลสผิดหรือเปล่าเลยเอออย่เชื่อกิเลสนะมานมันหลอกเรามานมันต้องขวางไม่ให้เราไปนิพพานเนี่ยก็ห้างต้องมีเคยอ่านเรื่องการมนิสมาสิฏฐิไหมยังไม่เคยมันเที่ยวหาความสุขนะหาความเที่ยงหาความสุขะถึงไปเจอพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องไม่เที่ยงเรื่องเป็นอนัตตา เขาไม่เชื่อหรอกนะที่ยาสแสวงหาไปเลยสุดท้ายความจริงก็ปรากฏทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างทนอยู่ไม่ได้ทุกอย่างบังคับไม่ได้ใจก็ยอมรับตรงใจยอมรับก็เป็นรู้พาคอาหา์หันสัมผัสความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนความสุขในโลกเป็นความสุขที่มีเครื่องเสียดแทงความสุขในธรรมแท้ๆนั้นไม่มีความเสียดแทงเลยต้องอดทนเนาะมอบกายถวายชีวิตให้พระพุทธเจ้า จะเดินตามท่านไม่ทอ้อถอยต้องอย่างนั้นนะให้เด็นเดียวครับมันยังทุกไม่พอใช่ไหมครับมันยังอะไรเอาวอนมันยังไม่รู้ทุกมันยังเห็นว่าโลกนี้เป็นสุขอยู่นะแล้วเราก็มีบุญบา ร, รมีหนุนหลังได้มาภาวนาทั้งๆ ท, ท, ที่ใจเราก็ยังติดกับโลกอยู่มันเลยสู้กันรุนแรงแต่วันใดถ้าปัญญาเราแก่กล้าขึ้นนเห็นโลกนี้เป็นทุก ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปรู้เนี่ยมีแต่ของแปรปรวนของจอมปลอมทั้งหมดเลยถ้าเห็นอย่างนี้ใจจะค่อยๆอ อ, ออกจากโลกนะพอนานน่าจะยิ่งมีความสุขสดชื่นขึ้นสดชื่นขึ้นไกลโลกออกไปเลืเลยๆตอนนี้มันยังไม่เห็นทุกทุกไม่พอเอารพอรอนไหมจะให้พอรอนให้ทุกเยอะๆเอาไหม <laughs> ไม่เอา <laughs> ครับ ผมผมขอ อ, อุบายเพิ่มเติมครับไปดูนะคนรอบๆตัวเราที่เรารู้จักเนี่ยตายไปเท่าไหรนะ่แคนรอบๆตัวเราดูสิแต่ละคนมีความทุกข์สักเท่าไหร่ดูคนอื่นก่อนนะคนอื่นเขาก็แก่เขาก็เจ็บเขาก็ตายเขาพลัดพรากจากสิ่งที่รักเขาเจอสิ่งที่ไม่รักแม้แต่ตัวเราเองวันหนึ่งก็ต้องเจอสิ่งเหล่านั้นค่อยๆสอนมันไป ถ้าใจเป็นอย่างต้านธรรมะมันยังไม่อยากดูทุกข์นะพามันดูไปเลยความทุกข์รอบตัวเราแล้ววันหนึ่งก็จะเข้าถึงตัวเราด้วยถ้าเห็นอย่างเนี้นั้ใจจะมีกําลังที่จะออกจากโลกไปมันเห็นแต่มันไม่ยอ ม, มอยใช่มัใช่มันยังไม่ยอมตลวงพ่อถึงบอกว่ามันทุกข์ไม่พอเอาพรไหมเอาพรเอาสักหนก็ได้ครับอย่าเลยสงสาร <laughs> ใจไม่แข็งพอกรรมนาัสการครับ ผมซึ่งฟังหลวงพ่อมาได้หกเจดปีแล้วนครับอืก็เก่งแล้วละ่ะทำได้ขนาดเนี้ยี่ติครับ <c oughs> ครับหมดทาลงครับโลกศิษย์หลวงพ่อสมชายนี่เก่งเก่งเยอะนะใช้ได้มีหนูเนี่ยมันประคองไว้อันเดียวนะเออนะไล่ไล่ไปเดี๋ยวมันจะเคลื่อนออก ครับนมัสกการหลวงพ่อค่ะปฏิบัติมาได้ประมาณหกเจ็ดเดือนเหมือนกันค่ะขนาดนี้ใจปกติไหมไม่ค่ะแข็งกว่าความเป็นจริงดูออกไหมใช่ค่ะให้รู้เอาน ะ, ะบังคับไม่ได้ อ, าาอ่าวมาก็เท่าที่ปฏิบัติมาก็สภาวะจิตก่อนที่จะปฏิบัติแล้วก็หลังจากปฏิบัติจนถึงวันนี้เนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากค่ะ เปลี่ยนสิธรรมะของพระพุทธเจ้านะท่านบอกเลยเป็นธรรมะที่ไม่เนิ่นช้าถ้าภาวนาถูกนะในเวลาสั้นๆเนี่ยเราจะเปลี่ยนถ้าภาวนามานานแล้วไม่เคยเปลี่ยนเลยทําผิดแน่ๆเแล้วที่โยมภาวนามาถูกไหมคะถูกแล้วที่ภาวนาแต่ภาวนาถูกหรือภาวนาถูกก็ต้องเป็นพระอรหันโนละมาแล้วล ถ, ถูกไปตามลําดับนะ อย่างเวลาเราฟังธรรมเนี่ยตอนแรกเราฟังเนี้ยเราก็เข้าใจต่อมาเราปฏิบัติต่อไปอีกนะไ อ, รรอ้ทำมาเดิมความเข้าใจของเราไม่เหมือนเดิมจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะไปฟังซีดีหลวงพ่อฟังไปเรื่อยๆนะความเข้าใจเราจะไม่เหมือนเดิมหรอกการปฏิบัติเนี่ยมันไม่อยู่กับที่หรอกตรงนี้ว่าถูกไหมวันนี้ถูกแต่ผ่านไปอีก3เดืนเอนไอ้ที่ทำมาเราผิดมันจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้าไม่ทําเลยนี่ผิดสหาหัสเลย ต้องทำไม่กลัวผิดหรอกอยังไงก็ผิดใช่ค่ะอย่าใจฟอร์สิฮะทำไมใจฟอร์ที่ฝึกมาได้ป่านนี้ก็บุญนักหนาแล้วนะนี่ก็ดีแล้วหากับนมัสการหลวงพ่อค่ะ <ừ> ก็ตื่นเต้นค่ะ <ừ> แล้วก็อ่พอดีได้ซีดีหลวงพ่อมาเมื่อประมาณสามปีที่แล้วอะค่ะแล้วก็ จุดประกายให้มาเริ่มเจริญส ต, ติะคะ่ะแล้วก็วิธีฝึกก็คือจะฝึกกับออกกําลังกายตอนเช้าแล้วก็เดินไปก็พยายามอยู่ตัวะคะ่ะแล้วก็เมื่อสองปีที่แล้วก็รู้สึกว่าจะต้องทําในชีวิตประจําวันด้วยก็เลยพยายามทําก็เปลี่ยนไปเยอะค่ะแล้วก็แต่ก็ไม่ไม่แน่ใจว่ายังมีหลงทางอยู่ไหมหรือว่าอย่ากลัวผิดนะอย่ากลัวหลงนะถ้าไม่หลงต้องเป็นพระอรหันต์นั่นก็หลงไปตามลําดับ ลงน้อยลงน้อยลง <Okay. S 2> ชีวิตเราเปลี่ยนดูออกไหมดูออกนั่นแหละถูกต้องนะเราวัดตัวเราเองได้เราเคยจบอยู่กับทุก็ทุกก็น้อยลงทุกก็สั้นลงเคยเห็นโลกแล้วก็หลงอุตรหลุดนะไม่รู้เหนือรู้ใต้ตอนนี้ก็รู้ทิศทางที่จะเดินต่อแล้วนะเราไม่หลงโลกนั่นแหละความก้าวหน้าของเราเกินทุกคนเลย mm hmm. ที่ส่งกันบ้านมาแล้วเน mm ี hmm. ่ยให้กําลังใจนะเน mm ี hmm. ่ย กับนมัส ก, การค่ะเป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะกลัวไหมกลัวค่ะถามจริงอหรกลัวหลวงพ่อหรือกลั ว, ม <c oughs> วไม่วางไม่เออเนาะถูกแล้วบางคนเขาเข้าใจผิดแล้วนึนกว่ากลัวหลวงพ่อพอวางไม่เราหายกลัวไหมค่ะแสดงว่ากลัวไม่เอาว่ามาก็ <c oughs> ลืมไปเลย <c oughs> ลค่ะก็ะ อ, อยากจะสอบถามว่าที่ฝึกรู้สึกตัวอยู่เวลาจิตมันเคลื่อนไปรู้ไหม ดูคะ่ะเคลื่อนไปนานไหมไป่าจะรู้บางครั้งก็นานบางครั้งก็แป๊บแสดงว่าทําถูกถ้ามาบอกลงเพราะว่าเครื่องตัดรู้ตลอดคงที่อันนั้นไม่จริงอ่ะคเพราะว่าบางวันนะสติก็เกิดเร็วน ะ, ะบางวันมันก็ไม่เกิดคบางวันก็นานกว่าจะเกิดะค่ะใช่เป็นธรรมดาสติก็เป็นของไม่แน่นอนค่ะสั่งมันไม่ได้ไม่ได้เอไม่ได้สั่งไม่ได้แล้วไงล่ะ ที่ทํายู่ถูกหเปล่าคะขณะนี้จิตอยู่ที่ไหนดูออกไหมเออนะถ้ารู้ทันว่าตอนนี้จิตของเราเคลื่อนออกนอกอ่ะก็ใช้ได้แล้วค่ะเห็นไหมร่างกายพูดใจเป็นคนดูยง่เห็นไหมร่างกายพูดอยู่เนี้ยเห็นเห็นค่ะเออนะเนี้ยค่อยค่อยรู้ไปเห็นกายมันทํางานเห็นใจมันทํางานเห็นถูกแล้วล่ะสมาธิไม่พอนะ ให้ไปฝึกในรูปแบบจิตเคลื่อนเราดูวจิตเคลื่อนเราดูว่าฝึกมากๆนะครับก็ตอนนี้ก็ฝึกในรูปแบบทุกวันนะคะแต่มันเคลื่อนบ่อยมาเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็ไปไม่ห้ามนะค่ะแต่ว่าเพิ่มวันละหลายหลายรอบก็ได้รอบแต่ห้านาทีสิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยมันมันอยู่ไม่นานนะคะมันเดี๋ยวก็ไปอย่างนั่งสมาธิประมาณสิบหรือสิบห้านาทีมันโอ้ไปไม่ดูกี่รอบอะค่ะแต่น่าจะคอยรู้บ่อยๆ <น>ให้คอยรูบ่อยๆนะคะับพอรู้ได้บ่อยๆนะใจไหลปุ๊บรู้ป๊บปุ๊บปุ๊บนะใจค็จะอยู่กับตัวเองอยู่แป๊บเดียวก็ก็ช่างมันใช่ไหมคะใช่ต้องแป๊บเดียวห้ามอยู่นาน <laughs> ถ้าอยู่นานสดแสดงว่าเพ่งมันอยู่แป๊บเดียวคะ่ะแปบ๊ปแปบก็ไปแป๊บก็ไปแป๊บก็ไปอย่างนี้ค่ะแป๊บก็ไปไม่เป็นไรนะแต่ไปแป๊บๆนะ่ะบางครั้งก็ไปนานนิดนึงค่ะ ไม่ใแป๊บก็ไปาไปทั้งสามชั่วโมงนก็นานไปกับนรร ก, การหลวงพ่อครับอ่าตอนนี้ก็ตื่นเต้นอยู่เหมือนกันครับเมื่อตอนต้นปีไปส่งกันบ้านหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าให้ไปตั้งหลักไว้ให้ไปทําสมาธิเพื่อให้มีกําลังในการแยกขันก็พยายามทําในรูปแบบอย่างสม่ําเสมอมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็อมันตื่นเต้นห้า <laughs> มไม่ได้ครับ เวลารู้สึกตัวครับบางทีถ้าเป็นแต่ก่อนเวาราลุสึกตัวมันจะรู้สึกเบาๆแต่หลังๆหรือระยะหลังๆนี้เวลาู้สึกตัวบางทีมันจะรู้สึกว่ามันมันหนักครับมันเราไม่ได้เอาเบารู้สึกยังไงก็รู้สึกอย่างนั้นนะอใหม่ๆเนี่ยใจของเราฟุง้งครับพอมันรู้ตัวขึ้นมามันได้สมาธิมันมีความสุขมาก ต่อมาพอมันชินนะั้นก็รู้สึก ง, งั้นๆล่นนะจะเป็นอุเบกขามากกว่าสุขต่อไปยิ่งภาวนาไปเนะี่ยแทนที่จะสุขจะทุกข์อนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเลยถ้าเห็นถึงตัวนั้นนะ่ะใกล้เป็นพระรหัสแล้วแล้วก็ผมเป็นคนที่ชอบนั่งสมาธิครับแล้วเวลานั่งเนี่ยผมจะวิหารธรรมคือจะนับไปเรื่อยๆครับนับหนึ่งสองสามเนี่ยนับไป ừ, <ๆ>เรื่อยๆ คือผมสามารถดูเลยได้ไหมว่าสมาธิที่นั่งเนี่ยมันไม่สามารถบังคับจิตได้ให้มันให้มันสงบหรือให้มันนิ่งหรือให้มันเป็นไปอย่างที่ต้องการดูมันเป็นอนัตตาเลยได้มได้ ไ, ไ ด, ได้แต่ถ้าสมาธิเราชำนาญจริงนะปุ๊บก็สงบเลยเพราะฉ <ừ> ั้นพวกที่ชำนาญในสมาธิบางทีเกิดมิจฉาทิฏฐิว่าจิตเนี่ยเป็นอัตตาบังคับได้นะคือคื อ, คอท่ความชนานาญ นั่งนั่งนานแล้วก็นั่งสม่ําเสมอมันมันมันไม่เคยดูสิไม่แต่ละวันไม่เคยเหมือนกันครับนะแต่ละช่วงเวลาก็ไม่เหมือนกันอย่างนั้นก็เดินตัญญาไปได้อดูเป็นอนัตตาไปเลยนะครับว่าแกเป็นคนคิดฉันก็ดูแกคิดถ้ามันฟุ้งมากนะคิดเรื่องอนัตตาไปเลยจิตจะสงบเป็นอุบายให้เกิดความสงบของจิตอืนะเพราะจิตใจสงบแล้วก็ดูเขาทํางานไปสบายๆนะปัญญาแท้ๆก็จะเกิด รตรงปัญญาที่ชิดเอานี่เป็นแค่ทำให้เกิดสมถะครับ <นะ S 1> ขอกันบ้านเพิ่มที่ทำอยู่ดีอยู่แล้วละไปทำไปเรื่อยอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนครับหลวงพ่อที่พิจารณาพวกเรานะแต่ละคนแต่ละคนเนี้ยภาวนาเก่งนะภาวนาดีเสียอย่างเดียวคาดหวังจะเอาเร็วๆ็วเมื่อไหร่จะได้สักทีนะ เป็นอย่างนี้เป็นส่วนใหญ่นะในกลุ่มเนี้ยโลภมากไปทำหน่อยๆ น, นะอย่าเอายเยอะต้องตั้งใจอย่างนี้ทุกวันเราจะปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าความดีทั้งหลายที่เกิดขอถาวายบูชาพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาอะไรมาเข้าตัวเองเลยจะได้มากผลนิพพานหรือไม่ได้ไม่สำคัญหรอก ได้สาคัญที่ได้ลงมือปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าถ้าตั้งใจอย่างนี้นะเราจะได้เร็วถ้าคิดว่าจะเอาจะเอาจะเอาเน่ยไม่ได้หรอกครับนี่เป็นเคล็ดลับนะครับอ๋อเกือบลืมไปอีกอย่างหนึง่งคือเวลานั่งสมาธิหลวงพ่อเคยบอกว่าให้ให้ดูลมหายใจออกก่อนแล้วก็ให้ดูเข้าคือผมพยายามลองลองทำตา ม, มาครับการการหายใจของผมเนี่ยมันจะเข้าก่อนแล้วมันก็ออกแล้วมันถึงจะหยุด แล้วมันก็เข้าแล้วมันก็ออกแล้วมันก็อยู่ออไม่ใช่อะไรหรอกมันเป็นเคล็ดลับอันหนึ่ง <c oughs> ก็คือเวลาปกติถ้าเราหายใจเข้าเราจะเพ่งใจจะแน่นๆ่นถ้าเริ่มจากหายใจออกเนี่ยเสร็จมันมีลมอยู่ในปอดนิดหนึ่งหายใจออกสนิดเดียวก็ได้ใจมันจะคลายออกแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาหายใจไปสบายเดี๋ยวมันก็เลิกหายใจไปขอบคุณครับอ่ขอการนะครับ ขออนุสการ น, นะครับผมเคยไปส่งการบ้านหลวงพ่อทีหนึ่งหลวงพ่อบอกว่าผมอัดเอาไว้เนยไม่ทราบว่าตอนนี้มันเบาขึ้นแล้วเนาะครับแต่มันก็ยังเพ่งอยู่ครับคือเพ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนรักดีนะถ้าปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจเนี่ยผู้คนรักชั่วนี่เรารักดีนะเราก็ยามควบคุมตัวเองอยู่ครับนี้เพื่อในการควบคุมตัวเองเนี่ยมันทําให้เราไม่สามารถเห็นกายเห็นใจอย่างที่มันเป็นได้ กามันก็จะนิ่งใจม <pe> right right ันก okay. ็จะนิ่งครับงั้นถ <c oughs> ้าเรารู้ทันว่าเราบังคับตัวเองอยู่นะเราก็คลายออกคลายออกแล้วเราก็ดูมันทํางานเหมือนเห็นคนอื่นนะเห็นร่างกายหายใจเหมือนเราเห็นคนอื่นเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเหมือนเราเห็นคนอื่นนะมันจะทําอะไรก็ดูเหมือนดูคนอื่นหรือจิตใจจะสุขจะทุกข์ก็ดีจะชั่วก็เห็นเหมือนเห็นคนอื่นหนีไปคิดหรือยังมีไหมครับให้รู้ทันเวลาจิตมันหนีไปนะครับ สังเกตไหมตรงที่รู้ว่าจิตหนีไปคิดนะมีความเบิกบานผุดขึ้นมา<ะ>ตรง น, น, นั้นคือภาวะแห่งการรู้สึกตัวรู้ตื่นแล้วก็เบิกบานผุดขึ้นมาแต่ถ้าเราเพ่งนะใจก็จะว่างๆนิ่งๆถ้าเพ่งแรงใจจะเครียดๆถ้าเพ่งพอดีๆใจก็โล่งๆว่างๆถ้าไม่เพ่งนะใจก็กมีสองอันนะไม่หลงไปเลยก็เป็นผู้รู้ระห ว, ว่างผู้รู้กับผู้หลงหนีไปคิดหรือยัง ให้รู้ทนรู้ว่ามันหนีไม่ห้ามครับอย่าห้ามนะครับถ้าห้ามจะกลายเป็นเพ่งครับการละเมิดการครับการละเมสักการใช่ค่ะโยมเคยส่งกันบ้านขอวงพ่อมา่สองปีที่แล้วนะคะอืหลวงพ่อบอกว่าโยมจิตกระจายออกไม่เหมือนเดิมแล้วล่ะไมเหมือนเดิมแล้วนะคะรู้สึกไหมล่ะ ดีขึ้นน ะ, ะถ้าใจกระจายให้รู้ทันถ้ามาบีบเอาไว้ให้รู้ทันความสุดโต่งมันก็มีสองอันเองนะสุดตรงแบบกระจายออกไป น, นะกับสุดตรงแบบบีบเข้ามาความสุดตรงก็เป็นคู่ๆทางสายกลางก็เรื่องธรรมดาธรรมดาอตอนนี้<ม>ตอนนี้บีบไหมตอนนี้ก็บีบอยใช่ตอนนี้บังคับอยู่บังคับอยู่ มันบังคับไม่ได้เดี๋ยวห้ามไม่ได้เออถูกถ้าเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วก็มันรักคิดบ่อยใ่ไหลวงพ่อไม่ห้ามเพราะจิตมีหน้าที่คิดนอนรักคิดแล้วแล้วก็โยมตอนนี้ปฏิบัติคือส่วนใหญ่จะเดินจงกรมนะใช่ไหมแล้วก็อยู่กับการเคลื่อนไหวอไม่ทราบว่าเหมาะกับตัวเองไหมใช่ไหมคือโยมนะช่างคิดความคิดจะเร็วมากเลยให้กระดุกระดิกไว้อะดีแล้ว การไปนั่งสมาธิก็มันก็มีสองช้อยถ้านั่งสมาธินะไม่ฟุ้งไปก็หลับไปแล้วถ้ามันฟุ้งมากมันจะซึมไปเลยค่ะงั้นก็ไ ป, น ไ, นไปเดินไว้ไปเดินไว้แล้วก็พอเดินแล้วมันจะเห็นความคิดเห็นกิเลสเห็นเลยชัดมากเลยเออใช่อย่ยงนั้นนะก็ะะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมเจ้าค่ะก็เคลื่อนไหวไปนะแล้วก็ให้จิตมันทํางานแล้วก็ดูทันเอาะฝึกดีขึ้นแล้ว กาก็ขอบคุณเจ้าก่าอาจารย์สมชายนี่สอนลูกศิษย์เก่งเนเขกาสพิธีกรคนสุดท้ายครับแลวงพพอดีผมใช้วิธีการเดินนะครับแล้วก็ช่วงหลังรู้สึกว่ามันจะรู้สบายขึ้นนะครับแต่ว่ามันรู้สึกมันก็รู้อยู่แค่นั้นนะครับมาเดินโชว์เลยนี่เดินเดินทางนี้นะคนอื่นก็จะได้ดูด้วย เวลาจะเดินจงกรมอย่างเพิ่งเดินนะสังเกตไหมว่าเราไปรวบจิตเข้ามาแนละจิตขณะนี้ไม่เป็นธรรมดาล้วรู้สึกไหมการเดินจงกรม ก, ก็คือการรู้สึกตัวนะเดินไปด้วยความรู้สึกตัวไม่ใช่เดินบังคับกายไม่ใช่เดินบังคับใจเนี่ยเรามีความรู้สึกตัวให้สบายยิ้มก่อนว่าข้างในมันยังไม่ยอมยิ้ม <laughs> อ, อตื่นเต้นหายใจหายใจ <BS> เอ อ, เ, อ, อเห็นไหมคลายออกแล้วมันมีเคล็ดลับนะตรงที่เราหายใจออกเนี่ยใจมันจะคลายเพราะฉะนั้นเวลาคนมีความทุกข์มากๆชอบถอนใจอย่างเงี้ยใจมันจะรีแลกซ์โดยธรรมชาติเพราะฉะั้นถ้าเราภาวนาเราตึงเครียดนะถอนใจสักก่อนนะ <BS> แต่อย่าให้ท้อแท้นะเราเดินรู้สึกตัวแล้วเดินไปเดินไปสบายๆเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูอืม <BS> ไม่ใจหนีไปคิดสามรอบให้รู้ทันเลยปปั๊ บ, บ, บนะเดินเคล็ดลับของการเดินจงกรมนะให้คนนี้เขาสาธิตหลวงพ่อจะอธิบาย <c oughs> เดินจงกรมก็คือการฝึกจเจริญสติจเจริญปัญญาในอิริยาบถเดิ น, นจุดสำคัญเนี่ยอยู่ที่ความมีสติหรือการได้เห็นความจริงของกายของใจ ไม่ใช่เดินเอาระยะทางว่าจะเดินวันละร้อยรอบหรือเดินเอาเวลาเดินหนึ่งชั่วโมงไม่เอาเวลาไม่เอาระยะทางแต่ทุกก้าวที่เดินเนี่ยเดินด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวเวลาเดินไปเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูหรือเดินไปแล้วใจมันหนีไปคิดเราก็รู้ทันส่วนใหญ่เวลาเราเดินจงกรมเนี่ยเส้นทางที่เราเดินนะไม่ควรยาวเกินไปถ้ายาวมากมันจะแอบไปคิดนานตรงกลางช่วงตรงกลางนั้นใจจะลอยไป ไม่สั้นเกินไปสั้นเล้เวียนหัวนะก็ดูว่าพอดีพอดีแค่ไหนนะแล้วเวลาเดินเนี่ยก็เดินไปสบายๆรู้รู้สึกตัวไปใจหนีไปคิดก็รู้นะหรือเห็นใจไม่หนีไปไหนนะก็เห็นร่างกายมันเดินเหมือนเห็นคนอื่นเดินดูเหมือนดูคนอื่นเดินแล้วจุดสำคัญก็คือเวลาเดินไปสุดทางแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งกลับจนสุดทางแล้วรู้สึกตัวก่อนค่อยหมุนตัวนะ ไม่งั้ถ้าเดินสุดทางพุ๊บหมุนตัวปั๊บเนี่ยจิตจะกระเด็นออกนอกทางวงกลมไปเลยะจิตจะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหรอกนพอหมุนมาแล้วก็อย่าเพิ่งเดินถ้าหมุนมาปุ๊บเดินปั๊บเนี่ยจิตมันจะเดินก่อนก่อนขาจิตมันก้าวไปก่อนขาอีกะจิตใจกับร่างกายไม่สัมพันธ์กันเพราะฉนั้นเวลาเดินไปสุดทางนะก็หยุดรู้สึกตัวหมุนตัวกลับไม่ช้าไม่เร็วเกินไปแล้วรู้สึกตัวแล้วค่อยเดิน นะถ้าเดินตรงกลางแล้วมันใจลอยก็หยุดก่อนรู้สึกตัวแล้วเดินต่อนะั้นเราเดินเนี่ยเอาความรู้สึกตัวอันนี้เป็นขั้นตอนต่อไปก็เดินให้มีปัญญาเห็นตัวที่เดินอยู่ไม่ใช่เราเดินนะ้เหมือนเห็นคนอื่นเดินดูไปเรื่อยๆหรือเห็นว่าตอนที่เดินอยู่ใจมันนีไปคิดมันนีของมันได้เองมันไม่ใช่ใจของเราแนละ้วนะเราจะเป็นคนดูเอาไปไปนั่งได้ละ เนี่ยตอนนี้เดินไปอย่างเนี้นะแล้รู้สึกได้ใช้ได้เลยเดินอยากจะกี๊เครียดนะครับก็กราบขอบพระคุณหลวงพ่อนะครับระดับต่อไปนะครับขออนุญาตแจ้งยอดนะครับที่พวกเราได้ร่วมกันบริจาคปัจจัยถวายแกหลวงพ่อนะครับยอดทั้งหมดนะครับสี่หมืนหนึ่งพันหนึ่งร้ยสาสิบแปดบาทนะครับขอพวกเราโนโมทนานะครับครับลําดับต่อไป ขอเรียนเชิญนะครับนายแพทย์วิวัตเชี่ยวสิน์นะครับเป็นตัวแทนของพวกเรานะครับที่จะถวายดอกไม้และกับพิยพันธ์ในหลวงพ่อนะครับและผมจะเป็นผู้กล่าวนําในการถวายเจตุปัจจัยทยธรรมทั้งหลายนะครับพวกเราก็ทําใจพร้อมกันนะครับ mm hmm. ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายปัจจัยทยธรรมกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่หลวงพ่อปราโมทปราโมทโช ขอหลวงพ่อโปรดรับเครื่องปัจจัยไถยธรรมทั้งหลายกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตลอดกาลนานเทินะละพร น, นะยาถาอาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวามวาิโตทินังเปตานังอุปกปติ อิชิตังปฏิต่างตุมหังคิปเมวะสมิจฉุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันรโสยถามณิโชติระโสยถาสัพีติโยวิวัตชันตุสัพรโรคโควินัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีที่คายูกุฟวะอภิวาฒนาสีลิสนิตจังวิทาปจายิโนจตาโรโอธรรมาวทันตีอายุวันโนสุขัง พระลังปัจจัยไทยฐานหลวงพ่อขอถวายท่านอาจารย์นะท่านต้องใช้ดูแลวัดกนะรรนนโอษนาพวกเราทุกคนนะได้มาฟังธรรมอยู่ที่ปฏิบัตินะ